คุณทัศยาคุณทัศยาไม่เห็นหน้าคงยังไม่พร้อมไปที่หมอภาฒนาก็แล้วกันคุณหมอภาฒนาขาประจำค่ะในมรสการพระอาจารค่ะสวัสดีคุณบอยจุ๊บแล้วก็คุณจุ๊บแล้วก็คุณหลาเอ๊ะไม่ใช่คุณหลาคุณหลาไม่อยู่นะคะคุณยามาแทนยาอ๋อค่ะก็ เวันจันก็เดี๋ยวรายงานเดี๋ยวรายงานทีหลังนะพระา้าจยา์ที่ทําเพิ่มวันจันทร์ไปที่วัดนะคะพระอาจารย์สรุปว่าก็ ก, ก็เลยไม่มีโอกาสสื่อาธรรมกับท่านพระอาจารย์ถึง11โมงแต่ว่าคือว่าวัดเนี่ยท่านยังไม่เปิดให้คนพักอะคะอ่ะเพราะว่าตอนนี้โควิดยังยังกระจายอยู่ท่านก็เลยยังไม่เปิดแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าพอท่านถามมาบอกว่ามาหาท่านพระอาจารย์สุชาติดเดือนละสองครั้งท่านเลยบอกว่าจริงๆ ไม่เป็นไรไม่ต้องมาที่วัดท่านก็ได้เพราะว่ามันมันหานลาวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เลยรู้สึกว่าอืมก็เลยบอกท่านว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามจัดเวลาไปวัดท่านด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้ติดตามข่าวสารว่าวัดเปิดเมื่อไหร่แล้วลูกศิษย์ท่านที่มาค่ะก็ยังต้องไปวัด ต, ต้องไปที่อืน่นเลยพระอาจารย์ไปส่วนสันติธรรมหรืออะไรไม่ทราบเพราะว่าวัดยังไม่เปิดที่อยู่ค่ะแล้วยังไม่มีกำหนดการด้ยคะพระอาจารย์อาจจะอีกนาน ก, าก็เลยพระอาจารย์คะถาม น, นิดนึงพระอาจารั์ที่นี่เขาชีโอนเปิดให้อยู่ไหมพระ คือเขาที่ว่ามันเป็นส่วนพิเศษมันคือมันไม่ได้เป็นของวัดมันเป็นขอยาอยู่รวมกัสร้างขึ้นมาอ๋อไม่ใช่อวัดแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายเป็นรายเดือนเไมนใช่รายเดือนรายวันอ๋อถ้าถ้าเราแล้วเรายอมจ่ายด้วยได้ไหมพระไซหรือว่าต้องไม่ใช่ห่อน่าจะได้แต่เราติดตามคุณชุบดูแล้วกันคุณชุบอย่าช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาที่อ่อนหน่อย อ๋อได้เป็นกุฏิเป็นหลังๆเหมือนกันใช่ไหมคะพรอาจารย์เป็นหลังเดียวๆแต่มันค่อนข้างไฮโซหน่อยมันมีทั้งเครื่องไฮโซหน่อยอ๋อไม่ไฟมืดเลยคะอาจารย์ไม่เป็นไรก็มันก็เปียกมันทางเครื่มันก็เปี่ยกแต่มันภายในตัวปฏิมันมีเครื่องเครื่องให้หยุดหยุดหากินเองคือมีตู้เย็นมีไมโครเวฟเสื้ออาหารแช่มาแช่ในตู้แล้วก็เก็บตัวอยู่ในกุฏิ แล้วกออกมาเดินชมกลมที่ก้างตีได้แล้วก็เขาก็เขาว่ติดเครื่องป่าอากาศไว้ให้ด้วยจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่แต่อย่างงั้นเดี๋ยวอยู่ได้แต่ยังงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราลบกลุ่นคุณจุ๊บนี่ยคะเดี๋ยวขอข้อมูลเผื่อจะคือตอนนี้ไม่เหมือนพอปฏิบัติพระอาจารย์มันปฏิบัติตอนที่พระอาจารย์บอกร้อยอยากได้เวลาที่แบบเป็นฟันเต็มเตเพราะรู้สึกว่าก็คือกลับมาเริ่มทําที่พระอาจารย์แนะนําค่ะก็เลยมาเพิ่มเรื่องของการเจริญ สติแล้วก็เรื่องของแบบการเดินจงอบรมเรีนเจริญสติให้เยอะๆแล้วก็แล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญานี่ก็คือเป็นแค่แบบช่วงคือคือสลับกับสมาธิแต่ว่าสมาธิกัสกสแบบสติจะเยอะกว่าก็เลยรู้สึกว่าอยากได้เป็นวันอาจารย์อยากได้<า>ไดที่เดียวๆที่มีเดินแล้วเราติดต่อคุณชูบเดยวแล้วคุณชูบจะให้ข้อมูลไปติดต่อคนที่เขาจัดที่พักให้อขามีทีวีมีมีคนอาจจะมีคนจองที่พักไว้อยู่ก็ ไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็อยู่ก่อนแล้วเดี๋ยววัดนุษยวัดวัดหงพ่อตันก็ถ้าเกิดเปิดอะไรก็จะไปอยู่อาจารย์ก็ตอนที่ผ่านมาก็ปฏิบัติคือคือก็คือปฏิบัติตั้งใจตอนนี้รู้สึกนะครับะอาจารย์ว่ามันเหมือนแรงมันเยอะคือเหมือนก็เราทํางานไปด้วยเรทํางานแต่ว่าทำงานนี่ไม่ใช่งานหาเงินเลยนะครับเป็นงานมูลนิธิอะไรพวกนี้ยเหมือนงานมันเยอะขึ้นคือแบบคนเขาขอให้มาช่วยมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าจะรีมีตัวเองแค่สามงานแล้วพระอาจารย์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันทำสมาธิจะไม่มี ใช่มันรับไปได้เลยคือมันเหมือนเรามีแรงมากขึ้นแล้วเราทํางานคนเห็นว่าเออเขาอยากให้ช่วยะก็รู้สึกว่าเออเราต้องการเข้าทางธรรเดี๋ยวไปทางโลกเยอะขึ้นมันจะเหลือเวลามาปฏิบัติน้อยลงก็เลยลิมิตแค่สามงานแล้วพระอาจารย์ขอไม่รับแล้วการภาวนากับงานทานที่มันขัดกันะะครรับพอาไม่มีเวลาถ้าต้องการภาวนามันจะต้องลดการทำบุญทาทานให้น้อยลงไปทานั้นด้วย จะได้เพิ่มงานทางภาวนาได้เพิ่มมากขึ้นค่ะได้พระอาจารย์เดี๋ยวพอหมดงานนี้ก็จะไม่รับแล้วพระอาจารย์เพราะว่าอยากจะไปอยู่วัดประยัพราะมิงานโทรศัพท์แล้วก็ต้องติดต่อมันมันทําให้สมาธิแบบพอเราจะเจริญสมาธิจเจริญสติอย่างเงี้ยมันมั น, ม, นมันหายไปไงพระอาจารย์เออได้ลองลองลองดูลองติดต่อเดูนะเมื่ออาทิตย์นมี้อาทิตย์นี้ไม่ไม่มีอะไรกันมีแค่ว่าสมาเอตึกได้มากขึ้นแล้วก็ แล้วก็ยืนคือฝึกยืนสมาคือฝึกเวลาทํางานก็เลยฝึกยืนสมาธิฝึกนอกจากนั่งก็มียืนแล้วก็เดินสมาธิยืนสมาธินี่ก็จริงๆแล้วรู้สึกว่ามันมันทําอาจจะทำไม่สั้นกว่านั่งแต่ว่ามันก็คือเท่าได้พะอาจารย์ยืนสมาธินะคะเริ่มฝึกฝึกท่าต่างๆเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกทํางานบางทีมันมีช่วงเวลาก็อยจะนั่งอยากสมาธิก็เลยยืนใช้ยืนเอาพระอาจารย์ก็โอเคก็คือคือมันเหมือนไม่ช่ทุกเกียาบนให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติทุกเวลาทุกเม็ด ใช่คือเจริญสติเป็นหลักก่อนค่อยควบคุมจิตย้ายไปคิดเลื่อนไปให้อยู่ในปัจจุบันให้ว่างจากความคิดได้อยู่ดีพระอาจารย์คะเดินยืนสมาธินี้ได้เพราะเราใช้อนาปานสติแต่ว่าถ้าเดินสมาธินี่มันเดินจงคนเราดูที่ไหนคะดูที่เท้าซ้ายขวา ถ้าเหมือนทหารฝึกทหารสายกว่าสายกว่าสายขว่าแล้วเราสลับกับเจริญปัญญากับเดินสมาธิกับสติกับเจริญปัญญาเราก็สลับกันได้ใช่ไหยครับอาจารย์ปัญญาถ้ามันไม่จำเป็นจริงอย่าเพิ่งไปพยายามสติให้มากๆให้จิตเข้าฌานให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทำปัญญาต่อไปเพราะมันถ้าไปเจริญปัญญามันจะเข้าสมาธิยากเพราะมันต้องใช้ความคิด ยกเว้นว่าถ้าจิตมันฟุ้งมันมีเรื่องเข้ามาก็อาจจะย้ปัญญาตายล่างเข้าไปตัดมันให้หายฟุ้งได้ปกติตัวเองไม่ค่อยฟุ้งพระอาจารย์ปกติก็เป็นคนที่ไม่ฝันด้วยนะตั้งแต่หลายแต่ไลน์หมดแล้วยิ่งมาปฏิบัติเยอะๆก็หลับสนิทเราไม่มันจะมีแรงว่ามันไม่ฝันอยู่แล้วพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเวลาเจริญพวกมรณะนุสติจะชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเห็นถึงความไม่ประมาทรู้สึกว่ามันไม่ประมาทดีพระอาจารย์มันรู้สึกชีวิตเรามันไม่มันไม่ยาว ไมีปัญหาไม่มีทุกยวเกิไม่ต้องใช้ปัญญาในตอนนี้พยายามเจริญสติให้มากๆให้อบเเบบให้ได้บเเบบขามากๆแต่ถ้าเกิดมีความทุกข์มีปัญหาก็ใช้ปัญญาพิจารณาแก้มันได้ในเป็นพักๆไปเป็นช่วงๆไปอย่างนั้นให้คิดได้เลยโดยหลักเป้าหมายต้องการให้เข้าฌานให้ได้เข้าอัปปนาสมาธิแล้วเข้าอัปปนาสมาธินี้ต้องเจริญสติไม่คิดเลย ได้ค่ะอาจารย์จะได้เจริญสติใหม่เพราะไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเจริญสติกสมาธิอาจารย์อย่างี้ยไม่มีอะไรนะคะไม่มีคําถามรอคุณจุ๊บนะคะอยากใหอยู่วัดมากเลยตอนนี้สวงข้อความผ่านทางนี้ก็ได้ไหมมีแชทเปิดให้แชทครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้แชทนะครับเปิดให้แชทที่ที่ในซูมเลยครับครับแต่คุณดูเที่ยงล่างมันจะไมีป้ายแชทบอกว่าแชทเดี๋ยวคุณลองดู เดี๋ยวพอมีใครส่ข้อความเข้าไปคุณก็จะเห็นเลค่ะไลฟ์ับพ่ออาจาโอเคกลับไปที่คุณอารุณรัดก่อนเมื่อกี้เข้ามาไม่ยังมีเสียงตอนนี้เราดูได้เปิดเสียงได้ไหมพูดเข้ามาได้ไหมลองเปิดอันดิวอันดิวไมโครโฟนของคุณอารัตน์อารุณโอเคได้เจ้าค่ะพูดได้เจ้าค่ะได้ยินเจ้าค่ะได้ยิจ้ามาจากที่ไหนข้างงแรกใช่ไหยใช่เจ้าค่ะ ขิ่งเข้ามาจ้าค่ะอะอยู่ที่ไหนบ้านบ้านอยู่นนทบุรีจ้าค่ะอะมีอะไรอยากจะถามไหมเข้าเข้ามาฟังก่อนจ้าค่ ะ, ะได้ก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนน ะ, ะเดี๋ยวกราบขอบขอบคุณจ้าค่ะได้อยากจะถามแล้วเดี๋ยวมีรอบสองนะร อ, อบแรกไปก่อนคุณทัชยาขอบขอบคุณจ้าค่ ะ, ะคุณทัชยานี่วม่ทาบว่าจะยินเสียงไหม เนปิดกล้องทิ้งว่าอยู่แต่ตัวไม่ทราบไปไหนถ้าไม่มาโลรหน้าเห็นก็ต้องไปที่ท่านต่อไปก่อนนะคุณออดีอาหาจับนักเกลือเชิญนมาสการ์ค่ะพระอาจารยวนน์วันนี้จะทามีค่ะเป็นวันนี้พอดีมีความทุกข์ในใจแต่ว่าก็จะพยายามใช้ปัญญาในการปัดความทุกข์ที่มีค่ะ ใช่ถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้สติหยุดความคิดไปก่อนอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ค่ะแต่ว่าบางเรื่องบางทีบอกไม่ถูกคะ่ะพระอาจารย์มันทุกข์ครั้งนี้มันเกิดจากเราด้วยส่วนหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราผิดด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทยังไงเราถึงจะตัดความคิดแบบนี้ได้ก็หยุดมันพุโทโธพุโทโธทาพุโทโธไปมันก็คิดไม่ได้นะ สคือ EPISODE ไปน้อยจบอะไเป็นคิดได้ได้ก็ต้องอยู่ใน EPISODE ยัางไงาดีบอกไม่ถูกพระอาจา ร, าาราย์เราทำดูสิเราอยู่กลารคิดก็ต้องส่วนส่วน EPISODE ไปแล้วทำทดลองไปถูกมันเป็นเรื่องครอบครัวด้วยป่ะอาารย์เรื่องอะไรมันหยุดได้หมดเราไม่อยากจะหยุดมันเองเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหนูจะพยายามทําต่อไปค่ะ เอาถ้าคิดแล้วมันแก้ปัญหาได้คิดไปนะคิดแล้วมันทุกข์คุณคิดไปทําไมไม่ไม่คิดค่ะหนูก็พยายามใช้หลักใจรักในการพิจารณาครั้งเนี้ยค่ะแล้วไปยังไงปล่อยวางได้เปล่าก็เดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วอันนี้จังของเขาพิจารณาเขาว่าอันนี้จังเดี๋ยวว่าตายกันหมดแล้วมันทุกข์กับอะไรใช่หนูกาเดี๋ยวก็ต้องตายกันหมดแล้วไม่รู้จะทุกข์กับอะไร อะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดอะก็นั่นแหละอย่างมากมันก็อย่างมันก็ตายอาจะอาอาจะมาอะไรจะร้ายแรงกับความตายค่ะมันก็ต้องเกิดด้วยค่ะถ้านั้นเนี่ยมันง่ายๆแต่มันไม่ยอมมันไม่ยอม <ừ. S 1> รับความจริงค่ะเห็นไหมหนูจะพยายามค่ะหนูจะต้องอทําให้ได้เพราะหนูก็ศึกษามาในระดับเองแล้วนูต้องทําได้อ่นั่นสิฮะเรื่องขอการปฏิบัติเนี่ย ปริญญาต์เกิการเรียนเนี่ยฝึกซ้อมอันนี้จังทุกขงังวหนตาท่อมกับปากเปรียกปากฉีกพอถึงเวลาจะมาใช้มันใช้ไหมใช่ไม่ออกทำได้ต้องทำได้หนูลูกสิบ้ายคุณคุณทำไดนะนะ้คิดว่าเดี๋ยวก็ตายหมดแล้วมีใครอยู่คำคำฟ้ามั้งเหรไม่มีต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนมันก็ถึงเวลาก็ต้องไปทุกคนนะ อโอเคนะดี๋ยวขอฟังทำแล้วกันค่ะพระอาจารย์ได้คุณทั้งฟ้าลูกแก้วอยู่ที่ไหนจาไม่ได้แนละ้วสวัสดีอยู่ระยองค่ะพระอาจารย์คุณเข้ามาครั้งแรกหรือเคยเข้ามาก่อนเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเพิ่งเข้ามาเพราะว่าคล้ายกับคามเพราะมีคนเอาลูกเข้ามาด้วยขอบคุณ ค, ค่ะนะคุณ ใช่ค่ะเคยไปกราบพระอาจารย์ที่ก uh ิ huh. ค่ะโอเคมีอะไรไหมก็จะเมื่ออาทิตย์ก่อนไปสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์เรื่องการกําหนดลมหายใจอะคะ่ะได้ได้นํามาปฏิบัติแล้วก็มันรู้สึกรู้ลมไปเรื่อยๆอะคะ่ะพระอาจารย์มันละเอียดขึ้นแล้วมันจะมีช่วงจังหวะที่มัน เชื่อมต่อระหว่างภายในกับภายนอกค่ะพระอาจารย์มันก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่มั่นใจช่วงที่มันลมมันละเอียดแล้วมันมันว่างตอนนั้นรมมันว่างก็ใหอยู่กับความว่างไปอย่าให้มันคิดก็ดูสังเกตว่าคิดอะไรหเปล่าไม่ให้มันไปคิดให้มันอยู่กับความว่างๆอยู่นิ่งๆเฉยๆไป ถ้าเดี๋ยวจิตมันก็จะสงบนิ่งเต็มที่มันกําลังใกล้เข้าแล้เข้ากับจะเข้าได้เขาแข็งแล้วนะรูกผีลูปคนแล้วนะก็อย่าเพิ่มไปทําอะไรข้าประคองสติไว้ให้ลูกเฉยเฉยอ่าไม่ต้องพยายามที่จะหาลมที่มันไม่ต้องหาไม่ต้องมันหายก็ปล่อยปัญหายไปอยู่กับการไม่มีลมอยู่กับความว่าง<ๆ>อย่าให้จิตทําอะไรให้ลูกเฉยเฉยรู้แต่ให้ว่างไม่มีลมไม่รู้ ก็อย่าไปไขว่คว้าหาลมอย่าไปถามตัวเองว่าตอนนี้เราจะตายหรือเปล่าไม่มีลมหายใจไม่ต้องไปคิดอะไรให้รู้เฉยๆสักเดีวก็รู้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะาอาจารย์แล้วมันก็ไปเรื่อยๆก็นั่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูความว่างไปอยู่ความว่างไปไม่ต้องทำอะไรมันก็ดูลมพอไม่มีลมก็ดู ตัวที่มาแทนลมตัวที่มาแทนลมก็คือความว่างก็ดูมันต่อดูมันต่อไปเหมือนเหมือนหนังมีสองฉากฉากหน้ก็ลมพอฉากลมหายไปแล้วฉากความว่างเข้ามาก็ดูความว่างไปไม่มีลมไปไม ถ, มถ้าเกิดสัมพันรับรู้ลมได้ก็รับเหมือนกลับมาใหม่ก็รับรู้มันไปต่อได้ครับไม่ต้องไปคอยคว้าไปหามัน ให้อยู่เฉยๆเราอยู่ที่เฉยมันจะมาแค่มันมามันจะไปแค่มันไปค่ะเพราะว่ามันสังเกตว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะกลับมาอีกอย่างนี้ค่ะมันจะกลับมาแล้วไปมันกลับมากลับมาแลดูมันต่อไปทำอยนี้ไปจนาจิตมันจะเด้่องเราลมกับจิตแยกออกจากกันอย่างถ้าจริงมันก็จะเหลือแต่ตัวลมนี่ตัวเดียวสักแต่ว่าลมอยู่อเค่ะ ค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้ไปเรื่อยๆจนมันมาละเอียดแล้วมีเวทนาเข้ามาค่ะจากการปวดสนใจไมสนใจให้อยู่กับความว่างไปถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องใช้กบรมณิกรรมให้ดึงจิตอยู่กับความว่างต่อไปอย่าอย่าให้มันไปตามรู้หลงเราไปไม่ใช่รู้หลงรู้เวทน า, าเอาไปรู้เวทนาเดี๋ยวมันจะเกิดความอยากให้เวทนาหายมันก็จะทําให้ ใจทุกขึ้นมาจนทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะว่าช่วงเวลาไปเจอเวทนาบางทีก็เอาไม่อยุบมันถ อ, อยออกส่วนอดีตีสอไปก็ไดนะ้ส่วนท่องพุทโธไปก็ไดนะ้ท่องอา ก, การสามสิบสองไปก็นดนะ้แล้วแต่ให้จิตอ ย, อยู่เฉยๆให้จิตมีงานทำนไม่ไปอ้อมโควนกับเรื่องทุกขเวทนานล้มันก็จะไม่เดือดร้อนมันก็จะอยู่ ตามฝ่ายตามอยู่กันได้ปล่อยให้เวทนาของมันอยู่ได้เหมือลูกเราเนี่ยเราไม่ไปสนใจเขาเหรือเขาเขาก็จะทําอะไรก็เรื่องของเขาแล้วก็พูดคุยกันเราไปนี่ค่ะเพราะว่าบางทีก็มาท่องพุทโธตอนที่มีเวทนามันก็มันมันมาอยู่กับความว่างเอ่ก็ดีก็ให้มันอยู่เฉยๆนั่นทางพุทโธแล้วมันยเวทนามันจะมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยมัน มันจะแรยจะค่อยมันจะหายไม่หายอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยขอบคุณขอให้เราเป็นไปด้วยดีขอบคุณเราต้องการให้จิตนิ่อย่างเดียวไม่ให้จิตเกิดความอยากขึ้นมาค่ะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่ฟังพระอาจารย์มาช่วงพฤกษิกาก็ปฏิบัติตามะค่ะพระอาจารย์ไม่ทันเข้าเย็นอ่าดี จะได้ไม่ง่วงไม่ตายเนี่ยไม่กินข้าวเย็นก็ไม่ตายเนี่ก็ไม่ก็อยู่ได้หลังๆมันมันอยู่ได้เลยนะคะพระอาจารย์บายน้ำหนักจะได้ไม่เกินไม่ทำไปประหยัดค่าค่าหารเบนหนึ่งมือมีประโยชน์ดีกับไม่ทํากันใช่ค่ะพระอาจารย์มีเวลาขึ้นเยอะค่ะพระอาจารยเวลาขึ้นเยอะมันก็ไม่เสียที่ดูก่อนร่างกายก็สุขภาพดีขึ้น น้ำหนักไม่ไม่เกินขายมันไม่มากน้าตาไม่มากน้ำหนักลดไปไปเยอะเหมือนกันค่ะลดไปห้าโลออค่ะคก็ดีหุย่ยัดีแล้วเป็นคนดีกว่ <c oughs> าจะเป็นตุ่มอ่ะขาพัดใชได่ไหมไม่ต้องไปเสียเงนินเข้าฟิตเนสไปกระโดดรดแจ้นให้เหนื่อยแล้วพอเหนื่อยแล้วก็หิวมันกินอีก <c oughs> ไม่รู้ไปทําำไง ค่ะพระอาจารย์ก็โชคดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ที่ที่ได้มาฟังถามพระอาจารย์แล้วก็ได้คำแนะนำโอเคประดตามไปเรื่อยๆนะค่ะเปนค่ะอันนี้ก็มีทุกวันพุธจะว่างก็เข้ามาถ้ามีใครมีคำถามอยากจะถามก็เข้ามาได้ทุกวันพุธเราต้อรอคิวหน่อยนะเพราะว่าเราไปทีละคนได้ค่ะพระอาจารย์จะพยายามค่ะ ถ้นนี้ก่อนนเดี๋ยวถ้ารอบสองถ้ายังมีเวลาอยากจะถามเดี๋ยวรอรอบสองดูถามได้ค่ะรอบหน้ทุกคนมีโอกาสได้ถามก่อนใชค่ะขอบคุณมากระอาจารย์คุณววลาสินจากเยอรมันจากเยอรมันข้าวนามัสการค่ะกรอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้าง ค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยสบายค่ะแต่ตอนนี้ปกติดีแล้วค่ะแต่ก็ได้ใช้เวลาช่วงไม่สบายได้ภาวนาค่ะนอนภาวนาเต็มที่ค่ะดีค่ะก่อนค่ะแล้วรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะท่านพระอาจารย์ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเลยค่ะออมันเย็นติดเนื้อติดตัวออกมาอยู่ข้างนอกเลยค่ะใจมันไม่ทุกมันไม่ทุกข์ความเจ็บของร่างกายมันก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเหมือน พอรู้สึกว่ามันจะเริ่มปวดอีกแล้วก็ก็ภาวนาค่ะแล้วมันก็หายไปค่ะแล้วมันก็เย็นสบายค่ะเขาเรียกทำมะโอสดเนี่ทำมัเป็นโอสดเป็นยาค่ะแล้วพอได<ๆ>้นอนภาวนาไปเรื่อยๆกลางคืนมันก็เกิดอาการตื่นนะคะท่านจิตมันตื่นแบบสว่างเลยอะคะอ่ะอเจิตสงบจิตชัดมีชติมันก็สว่าง นายยมมักจะคิดว่าตัวเองไม่ได้นอนด้วยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะคะอาจารย์ถ้าดูดีๆแล้วคือร่างกายได้นอนแต่จิตมันตื่นนะคะอืราะไม่เป็นไรถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยมันไปให้มั น, ป น, ม น, ปนไปตามเรื่องของมันค่ะตื่นสว่างเป็นคลื่นๆ ค, ค่ะถ้าพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายมากเลยค่ะครั้งต่อๆไปอย่างเงี้ยค่ะหลับตานิดๆหน่อยๆมันก็ลงของมันเองเลยค่ะแล้วแต่ว่ามันจะ ถึงที่สุดของมันไหมเท่านั้นแหละคะถ้าไม่ถึงก็มันก็ครึ่งทางค่ะนี่ <c oughs> ก็ฝึกสมาธิไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีความเจ้าป่ใช้ปัญญาแก้มันค <c oughs> ่นะพิจนาวของไม่เทีย่ยมเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ฉชนร่างกาตอนนี้ไม่สบายเหมันก็ไม่เทียงเมื่อก่อนมันสบายเดี๋ยวนี้มันไม่สบายเราก็ไปสั่งให้มันสบายไปตลอดไม่ได้ จริงๆแล้วเหมือนเป็นทางออกให้ตัวเองด้วยแหละค่ะท่านพอไม่สบายปุ๊บนี่คือแบบก็ภาระงานบ้านทุกอย่างก็ถูกปลดออกจากบาเลยค่ะไม่ต้องทําอาหารไม่ต้องอะไรพอบ้านจัดการหมดเราก็นอนแล้วก็ได้พอนะคะแต่จะเป็นคนที่คเด็กๆก็จัดการตัวเองอะไรอย่างเนี้ค่ะให้ได้ได้พักผ่อนการเอาวิเป็นโอกาสของเราก็ได้เต็มที่เลยค่ะท่านกลางคืนมามันนอนไม่หลับพอลุกขึ้นมาพอนาอะไรอย่างนี้ยค่ะ ไม่มีคำถามค่ะเดี๋ยวฟังไปก่อนค่ะเผื่อนึกออกร้อรอบสองค่ะโอเคขอบคุณครับอาจารย์สายทิพย์จากมาแลามเชิญกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้รายงานตัวก่อนไว้อยู่ขอนแก่นค่ะอก่า็ไปมามาเพราะว่าสลับเรียนกันมาอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อค่ะคุณพ่ออยู่นนกคนเดียวก็เลยจะมีลูกสาว เวนกันค่ะมีตารางเวนวันนี้ของเราแต่วันนี้พี่สาวไปต่างจังหวัด uh huh. ประชุมต่างจังหวัดก็เลยมาอยู่ที่ขันแก่นค่ะโอเคค่ะก็มีรายงานการปฏิบัติแล้วก็มีคําถามด้วยค่ะวันนี้ค่ะ uh huh. ก็เดิมด้วยความที่งานเยอะแต่ก่อนเราจะแบ่งแบ่งว่างานก็คืองานปฏิบัติก็คือปฏิบัติค่ะตอนนี้เราก็เลยเไม่แบ่งละตอนทํางานก็ปฏิบัติ uh huh. ไม่ถึงอ uh huh. ย่างเ <Okay. S 2> ช่นะสอน สอนนิสิตแล้วเวลาที่เรารอคําตอบเราก็พูดโทอพูโทรร อ, อหรือว่ารอได้แต่ก่อนจงจะแบบไม่ไหวจะหมดยากออกไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยคะ่ะตอนนี้คือจะอยูอ่ตรงไหนก็ได้ก็อยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองเอะไรเงี้ยก็วิธีการปฏิบัติให้เราอยู่ตรงไหนก็ได้อยากไปอยากอยากไปอยาจากที่นี่ไปที่โน่นอย่าไปถึงที่โน่นก็อยากจะไปที่นั่นต่อค่ะ ตอนนี้ก็เลยเหมือนอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วปฏิบัติได้ตลอดเวลาค่<ท>า<ำ>ก็ทําใจควบความคิดความอยากควบคุมความคิดความอยากค่ะทีนี้วันนี้ด้วยความงานเจอแล้วสมองมันคิดกันเั้งงานค่ะแล้วก็บอกว่าเออเด็กพอออกจากคิดทํางานหยุดหยุดอยากให้หยุดนะคะหมายถึงเรามีความอยากว่า เราตัดหรือไหมมันไม่หยุดค่ะมันมันไม่มันไม่หยุดแต่ว่าเราก็โอเคไม่เป็นไรก็คิดแต่ว่าจะพยายามก็เแบบทำมาฟังแล้วก็เราก็เห็นความคิดที่มันแบบเหมือนคิดเรื่องงานไปเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ก็จริงๆไม่อยากจะคิดแต่ว่าเอาก็คิดไปแต่ว่าพยายามฟังทำไปด้วยค่ะท้ายสุดแล้วพอพอมันถึงจังหวัดหนึ่งที่มันมันพอค่ะมันก็ไม่คิดต่อมันก็ฟังทำแล้วฟังทำรู้เรื่อง แล้วมันก็ไม่คิดเรื่องงานต่อค่ะเหมือนแต่ว่าก็เห็นความคิดที่ว่าเวลาที่เราอยู่ทางโลกมันเหมือนมันไปกับทางโลกค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่ะค่ะดึงมาดึงมายากอยู่ค่ะไม่ได้บอกติดเองว่าหยุดแล้วหยุดได้ก็ไม่ใช่ค่ะแล้วก็เลยบอกว่าเหมือนเวลาถ้าเราไปบอกคนอื่นว่าจะคิดมันก็คงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นค่ะ เราก็ได้ใช้ยอมหยุดเดนของผู้อาสานนี้คือฟังคนอื่นมาเยอะว่าเออก็ยอมหยุดเดนคืออะไรเนาะอะไรเงี้ยคือไม่ได้ยินจากสื่ค่ะเราจะมีบางบางคนที่เราทํางานด้วยแล้วเราจะรู้สึกว่าคือเราก็มีอัตราของเราค่อนข้างเยอะสมัยก่อนค่ะแบบงานของเราจะ่าไปยุ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คืออ้ามายุ่งก็มายุ่งก็แก้ไขกันไปก็เลย ก็เลยเหมือนแบบก็ไม่ได้สร้างศัตรูอะไรเงี้ยค่ะก็ก็โอเคแก้ไขตามเหตุตามผลให้ให้แก้ก็แก้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนนี้ทำมายุ่งกับเราก็เลยก็เลยได้ธรรมะตรงเนี้ยแล้วก็ได้เอามาใช้ตัดฟังกาลยานมิตรแล้วก็พระอาจารย์ด้วยค่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าก็ก็ก็ได้ในส่วนของความสงบในใจมากขึ้นแล้วก็อ่าไม่ไม่ก่อศัตรูหรือว่าไม่ตากลัวตนเราลดลงค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าก็ ดีขึ้น mm hmm. ค่ะทีนี้คําถามคับอาจารย์มีความสงสัยว่าขณะที่ขับรดมาใส่ว่าอาผู้หญิงนะค่ะที่อยากปฏิบัติธรรมแล้วก็ถึงถึงนิพานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ก็รู้ว่ามีบางคนที่เป็นแม่ชีท่านก็ถือศีลไม่กี่ข้อ mm hmm. แล้วทําไมระหว่างแม่ชีกับพระทำไมต้องถือศีลที่ต่างกันมากเพราะว่าถ้าแม่ชี ถือไม่กี่ข้อก็ก็สามารถบรรลุดได้เหมือนกันอะไร เ, เสงี้ยค่ะก็เลยอะไรสงสัยอะค่ะความจริงศีลหลักจริงๆมันไม่มีไม่กี่ข้อของข้ามีแค่สี่ข้อทนั้นที่ถือว่าเป็นศีลหลักคือหนึ่งไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นสองไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นสมไม่ฆ่ามนุษย์สี่ไม่อุดไม่โอดอุตทะเลคุณลพิเศษที่ไม่มีในตัวตนอันนี้เป็นถือว่าศีล แท้ของพระส่วนอย่างเงินถือว่าเป็นระเบียบให้พระปฏิบัติตัวเรียบร้อยสวยงามให้คนเข้าลราบนมนับถื อ, อ, อพระอาจารยอพระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินท่านรู้จักวิธีอยู่แบบพระเจ้าแผ่นดินอยู่กันยังไงท่านก็เลยมาใช้ปรับใช้กับพระให้มีมารยาทที่สวยงามนั่เองมันเกี่ยวกับเรื่องมารยาทเรื่องของการอยู่ร่วมกัน การใช้ขา่าวใช้ของอะไรนะี่ต้องรู้จักเก็บรู้จักอะไรทําอะไรต้องไม่ต้องมีระเบียบพูดง่านๆเหล่านีนเา้เป็นกฎระเบียบเพราะภาพเป็นสังคมอแล้วอยู่ในอยู่ร่วมกันเป็นสังคมในการที่รักษาภาพพจน์ของทำขอมให้สวยงามคนที่อยู่ในสังคมก็ต้องปกติตนเองให้เรียบรอ้อยทันเองยิงไม่ระเบียบเยอะ มันมามันโผล่ขึ้นมาเองระเบียบเรานี้มันเกิดจากภาพพฤติกรรม ไ, ไม่ดีไม่ชอบคนก็เห็นง้าไปฟ้องพระเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าได้ยินอ่ะก็มาบอกพระทําไม่ได้นะอย่างนี้คนชาวบ้านเขาไม่ชอบเขาไม่เขาไม่เห็นด้วยอย่า ง, างเช่นเรื่องจำมรรษาเนี่ก็เหมือนกันเรื่องจํามรรสาเมื่อก่อนก็ไม่มีการจํามรรษาแต่ทีนี้เวลาเลือดฝนนี่ชาวบ้านเขาปลูกพืช ใช้านาหวานพืชแต่เวลาพระเดินทุดงไปก็เดินลัดทุ่งข้ามทุ่งไปเหยียบข้าวเค้าอะไรของเขาที่อยู่เป็นทำให้เสียหายแล้วก็ประกอบกับรัดที่อื่นเขาหยุดกันเขาอยู่ไม่ไม่ไปจ้าริ่นไปไหนกันก็อยู่อยู่กับที่ในช่วงฤดูฝนชาวบ้านก็เลยไปกราบทุนพ ร, ร, ยยระเจ้าเดื่นร่อนเนี่ยว่าเดินลัดทุ่งไปเหยียบข้าวที่เขาปลูก แต่เห็นเสียหายทำไมไม่อยู่กับที่เหมือนกับสำนักอื่นเขาคระเจ้ า, จากาเลยต้องกําหนดอการอยู่จำพรรษาอันนี้ก็เป็นระเบียบเนี่ยก็คือเพื่อความเรียบร้อยด้วยส่วนหนึง่งใช่ไหมครับ<ช>แต่ส่วนหลักจริงๆก็เป็นไม่ไม่กี่ข้ออย่างที่ข้อศีนห้านี่แหละศีนยี่ศีนห้านี่ความจริงเอาแค่สี่ข้อศีนสีข้อข้อสุลานี่ไม่ถือว่าเป็น เ ป, เป็นบนะัณฑบานะพระดื่มสุราก็ไม่ถึงกับจะให้จับสึกให้ให้ลงโทษแบบให้ให้ให้ประนามตัวเองอแต่ถ้าอีกสีข้อเช่นฆ่าสาัตว์ฆ่ามนุษย์ต้องฆ่ามนุษย์รักทรัพ์แม้แต่บาทเดียวเนี่ยแล้วก็ไปร่วมหลับนอนกับศีกาแล้วก็โกหกหลอกรวงชาวบ้านหันวหวคนิเศษที่ไม่มีในตน อันนี้ถ้าเป็นปั๊บเนี่ยถือว่าขาดจากการเป็นพระเลยโทษนะให้อยู่ทำให้เสียหายมากกับกับสังคมของพระและกับตัวพระเองด้วย อ, อันนี้เป็นศีลหลักสี่ข้อปาลาชิกสี่แล น, นั่นเป็นเป็นศีลที่เป็นท้อระเบียบเรามาก็คือไม่ให้อยู่สองต่อสองกับศีการเนี่ยวปาราศีกานเอะรทำาอะไรนะต่างๆ มีอะไรเยอะแยะที่พระทำมีพฤติกรรมที่ไม่สวยงามแล้วก็มีคนไปฟ้องอพระเจ้าเลยลต้องํารนจท้าขึ้นมาอท่นั่นเองถ้าอยู่ถึงตอนนี้อาจจะมีเยอะอกว <c oughs> ่านี้227ยังชาวบ้านก็บ่อนอยู่เรื่อยใช่ไหมแล้วทาไมพระก็จะแถวแถว ห, ห้างนู่นห้างนี่เดี๋ยวไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็ห้ามห้ามพระเข้าศูนการค้าทันที <c oughs> แต่ทำไมไม่มีพระเจ้ามากําหนดไม่ก็เลยเละเทะกันขึ้นมาคระจาย อ๋เข้าเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกก็เลยสงสัยตอนแรกมีคําถามต่อคือระหว่างเป็นเป็นแมชีกับพิกซุนีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็ได้คําตอบแล้วค่ะว่าไม่จาเป็นแล้วก็คือสินห้าสิปแปดค่ะแปดนี้ก็ไม่ให้ไปเที่ยวแต่ไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้ไกายอันนั้นเองอันนี้เป็นตัวศีลหลักแล้วแมชีบางคนก็ดูแล้วไม่เรียบร้อยเพราะ ล่าแต่ศีลแปดแต่ข้ออื่นก็อาจจะไม่ละอยู่บ้านกันบ้างขับรถบ้างอะไรนี้<ม>เขาก็ทำเขาได้เพราะว่าไม่มีไม่มีข้อห้ามไม่ชี้ถือว่าเป็นอุบาสิกาท่านั้นเองหรือบรรพุทธที่ถือศีลแปดไม่ได้เป็นภิกษุณีถ้าภิกษุณีนี่เยอะกว่าพระเองเนะสามร้อยสิบหกข้อด้วยกันสามร้อยสี่สิบแปดข้ อ, ย, อยังไงเยอะกับพาพระ ทำมีมีรายเยอะกว่าพระทําเลยไม่เที่ยงลองไปอ่านดูเด็ในในพระวินัยปีดอกเนี่ยมีศีนของพระสองยี่บเจ็ดข้อแล้วก็มีศีนของพิสูจนเยะมากคแล้วก็มีความเป็นไปเป็นมาว่าทําไมถึงต้องตั้งข้อห้ามนี้ขึ้นมามีเหตุการณ์ลองไปศึกษาดูพระบิีรายของพระก็เหมือนกันแต่ละข้อนี้มันมีมันมีเหตุการณ์ทําให้ต้องมาตั้งค่ะ เดิมทีเริ่มตอนนี้ไม่มีไม่มีการกําหนดศินของพระเลยเพราะผู้ที่มาบวชเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเนี่ยพอได้ยินใด้ฟังธรรมคือเขาเป็นนักบวชของลัที่อื่นมาแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังธรรมบรรลุเป็นพระอาหันต์ก็ขอบวชในในโบวังพุทธศาสนาอยู่ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์พระอาจาราแล้ดีมาบวชมาอยู่กับเราแค่นี้แล้วเขาก็มาเพื่อตัวเองเรียบร้อยทุกอย่างก็เลยไม่มีข้อห้ามอะไรต้องห้ามเพราะเขาทำ ไม่มีทําอะไรเสียหายแต่ต่อมาเมื่อศาสนานะคนรู้จักมากขึ้นก็อยากจะมาบวชพวกที่ไม่เคยบวชมาก่อนพวกเนี้ยไม่รู้เรื่องก็เลยมาทําเหตุตา่างๆไปเริ่มหลับนอนกับแฟนเก่าบ้างอรรยาเแม่พ่อแม่มีมรดกแต่ไม่มีไม่มีคนรับนรดกก็เลยอยากจะให้พระที่มาบวชนี้เป็นน้อยนอนกับภรรยาเก่าเพื่อจะได้คลอนหลานออกมาได้มีหลานรับมรดกอ พระก็ทําเพื่อประโยชน์ทําเพื่อพ่อเพื่อแม่เไม่ทำเพื่อตัวเองก็เลยไปทําี่พอทาเสร็จแล้วไม่สบายใจก็ไปถามพระเจ้าทําได้เปล่าพระเจ้าทําไม่ได้เป็นพระก็ไปโยมหลับนอนกับศีกาได้อย่างไงก็เลยตั้งข้อนี้ขึ้นมาอธิบายข้าใจ่ค่ะไม่เดิมที่ไม่มีวินัยเลยศาสนาคนตอนนี้ตั้งอย่างไรเพราะคนมาบวชนี่เป็นพระทั้งนั้นเป็นพระอริยะ ผูเรียบร้อยทั้งกายวาจาใจค่ะค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะถามแค่นี้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะโอเคท่านต่อไปคุณโกเดียจากพัทยาเชิญครับสวัสดีครับน้ำมันใสัสไงไมีอะไรไหมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็่านำพุโทโธไปใช้ในชีวิตประจำวันครับไ ด, ได้ผลดีไหม ก็ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกไม่มีปัญญาผมก็หลบมาพูดโทรพูดโทรครับครับท่านก็ดีครับเพราะว่าคิดไม่ออกครับผมปัญญาน้อยก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็จะพูดโทรใช้ดทคนิคไม่ก่อนใช้เทคนิคเป็นครับครับดีอรัไม่มีอะไรก็ฟังไปก่อนนะเดี๋ยวจะให้ท่านเห็นครับครับอาจารย์พรองจชีย์อาจารย์พรงผมพิไล กลับสการค่ะอาจารย์วันนี้มาขอรับฟังค่ะกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วค่ะเรียบร้อยดีค่ะคุณธนุกุลสบายดีนะสบายดีค่ะอยู่ตรงนี้และค่ะฟังอยู่เหมือนกันค่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวขออะไรที่นัดต่อไปนะค่ะโอเคคุณยินดีมันนีรัตน์มัณีธีรกรจากอยู่เซาท์คโรไลนา USA ท่านอาจารย์ค่ะท่าอาจารย์รูถามเ อ, อมีข้อสงสัยนิดนึงอะคะ่ะที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าเ อ, อเวลาคนที่ทําบุญเยอะเวลาทิ้งไปก็คือไปทางสวรรค์อยากจะทราบว่าแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนําเหมือนกับที่ท่านพระอาจารย์กําลังทําอยู่อย่างนี้ไหมคะคื อ, อคสวรรค์สามหกชั้นนี่ถ้ามี พระพาหลหันที่มีอภิญญาที่สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ก็สามารถสั่งสรนได้อย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็มีเทวดามามาเรียนกับท่านมาหลวงปู่มั่นนี่ท่านติดต่อกับกายทิพย์ได้ติดต่อกับเทวดาได้เทวดาก็มีหกชั้นด้วยกันแต่รู้สึกว่ามีบางชั้นเขาจะไม่ค่อยสนใจกับทางธรรมะมืนพวกใครโซนี่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องธรรมะเขาชอบไปเที่ยวมากกว่า มันก็ยึดแล้วแต่จิตของแต่ละดวงว่าสนใจธรรมะหรือไม่สนใจธรรมะแต่ไม่มีไม่แต่ไม่มีเหมือนกับว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นโรงเรียนแบบที่ว่าท่ะเหมือนตอนนี้ฟังรู้เวลาสองทุ่มก็เข้ามาในชูมนี่นี่ก็ อ, อคือแต่ละชั้นเขาก็มีแต่ละชั้นใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าจะได้ปฏิบัติ เขาเขาก็เขาเขาเขาเขาสองแสวงหาดูว่ามีอาจารย์ตรงไหนแสดงธรรมที่ไหนเมื่อไรเพราะข้อนู้เขาก็ไปค่ะแล้วจิตใจแต่ละดวงแต่ละดวงนี่หมายถึงว่าเออเขาจะแบบต้องการเองหรือมันก็แล้วแต่ไงแล้วแต่ว่าสนใจไม่สนใจคือจิตใจก็เหมือนมนุษย์นี่แหละบางบางรูปก็ไม่สนใจหาความสุขกับรูปเทิยบเสียงเทียบกลิ่นเทียบไปเขาก็ไม่มาหาธรรมะ ทางรูปเคยตามสมัยเป็นมนุษย์ชอบเข้าวัดชอบฟังธรรมก็จะสอดแสวงหนาะธรรมะฟังพอมีอาจารย์รูปไหนแสดงธรรมก็จะไปฟังมันค่ะอาจารย์นะค่ะอย่างเราเนี่ยเราแสวงหนาะธรรมเดี๋ยวตายไปไปเป็นเทวดาก็จะคอยเ ป, นะป็นสอดแสวงหาด้วยมีอาจารย์รูปไหนแสดงธรรมหรือเปล่าค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์ถามเผื่อแม่ค่ะ <c oughs> ถ้ามีนิสัยไลายแบบนั้นมันก็จะมันก็จะเป็นไปทางนิสัยพางคนยมชอบเขาวัดชอบฟังเทศมันก็จะไปมันก็จะไปหาพระที่แสดงธรรมอยู่ถ้าชอบเที่ยวมันก็ไม่ไปเล่าอย่างบางบางบางบางคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์คือเขาเข้าแต่วัดแต่คือเขาไม่คือคนที่ชอบทําบุญตัก บ, บาตรมีบางคนที่ชอบใส่บาตรเสมอเสมอแต่ไม่ไม่ชอบฟังธรรมละคะ ย์ก็ไม่ไปฟังธรรมเพราะสายบาสเองก็กลับบ้านไม่รอฟังธรรมแล้วล้วพวกนีก้เขไม่ไปฟังธรรมเขาก็จะไปเขาก็จะไปเสพอาหารทิพย์ของเขาที่เขาได้จากการทำบุญทำทานแล้วพวกนี้สามารถที่จะแบบว่าอย่างท่านอาจารย์เนี่ยก็คือแนะของคือท่านพระอาจารย์แนะทุกคนว่าเพื่อที่ว่าจะได้มีแสงสว่างแห่งธรรมเพื่อที่ว่าจะได้ปฏิบัติคือจะได้ก้าวข้ามท่านไปเรื่ แต่จิตเข้าไม่ถึงระดับนั้นเขาไม่ยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่ยังไม่เข้าโรงเรียนยังไม่พร้อมที่จะเข้าโรงเรียนค่ ะ, อ, คะอาจาาอจจะต้องมีใครคอยบังคับให้เข้าโรงเรียนทีมีพ่อมีแม่คอยดึงเข้าวัดบ่อยๆให้นั่งฟังเทศแม่เข้าวัดฟังเทศก็พาลูกไปนั่งด้วยนี่เอ้ไป ล, ลูกกาจจะติดนิสัยจากการไปฟังเทศพ่อแม่ถึงมากจะพาเด็กๆ เ, เข้าวัดกัน ก็ฝึกนิสัยเด็กค่ะให้ทําบุญทําทานให้ควาเทพควาทําให้รักษาศีลกันแล้วพอแม่ตายไปเราก็ทําตามเราก็ทำของเราเองได้อันนี้ใช่ค่ะอันนี้คือหนูโชคดีค่ะที่หนูได้แม่แบบถ้าแม่ไม่สอนก็อาจจะไม่เข้าก็ได้ค่ะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้ได้กับตัวเองค่ะท่านอาจารท่านอาถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีความสนใจในตัวเองก็ต้องอาศัยคนอื่นเขาสอนเราฝึกเรา บางคนก็เคยเค ย, เคยมีความสนใจมานะไม่ต้องมีใครสอนก็ได้ถึงแม่พ่อแม่ไม่เขา้เขาว่ด เ, เขาเข้าของเขาก็เองนะก็มีค่ะท่านพระอาจารย์แล้วอย่างในอย่างในกรณีเทวดาเหมือนกันไหมคะถ้าในกรณีที่ว่าบางบางรูปคือเขาไม่ได้สนใจในธรรมคือเขาสนใจแต่เรื่องที่ว่าทําบุญเหมือนกับเอมนุษย์ทั่วๆไปที่บอกว่าเข้าวัดใต่บาตรใส่บาตรคือ<ม>เขาใส่แต่เช้า แล้วเสร็จแล้วก็มาเจอมนุษย์อีกคนคือดึงเข้ามาในวัดเพื่อที่ว่าจะมาฟังธรรมจะเหมือนกันไหมคะก็เหมือนกันถ้าถ้าไปเจอเทวดาด้วยกันอาจจะชวนกันมาเราอาจจะ <c oughs> บอกข่าวกันให้รู้ว <c oughs> ่ามีมีอาจารย์แสดงธรรมอยู่เวลานี้เวลานั้นนะใครอยากจะฟังก็ไปไปไหมออยา้ยช่วยกันไปได้ เพื่อที่ดังนั้นเทวดาแต่ละขั้นก็สามารถที่จะข้ามข้าม้าม้นได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเทวดาทุกลูกจะต้องตกมาที่โลกมนุษย์ใช่ไหมคะ <S <S <S ก็สามารถปฏิบัติอย่างแม่ของพระเจ้านี่พอมีพระเจ้าเป็นแสดงธรรมให้กับมนุษย์เป็นพระโสดาบันทีนี้จําถ้าปฏิบัติต่อไปจนถึงขั้นพระอาหารได้หรือไม่ถ้าถ้าเกิดบุญที่ส่งไปสวรรค์หมดก่อนก็าอาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนก็ได้ แล้กำลังปฏิบัติต่อค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านพระอาจารย์คุณจอยเชิญคุณจอยจากพัทยาเป็นยัยงไงบ้างลูกชายาอ่อาวันนี้จ้าหนุ่มน้อยแลาธุชยกมือไ่ว้หน่อยอเก่งมากเก่งมากมีอะไรไหมวันนี้ ก็ไม่มีอะไรค่ะพ่อจก็ปฏิบัติอยู่ตลอดนะค่ะออแต่ว่าตอนให้ไม่โกรธคนไม่ไม่รู้สึกกับใครกําลังทําเรื่องนี้อยู่ค่ะเพราะว่าทํางานมันมีคนมากมายก็พยายามไม่ไม่รู้สึกอะไรกับใครโอเคไหมโอเโอเคแล้วทำยงไงงันเดี๋ยววัาทิตย์ไปใส่บาตรค่ะโอเคได้ค่ะมาดูค่ะอ่าเจนี้กันนะอ้าว ยืนกรานาระิดาหลักสติปั า, าการุสการค่ะาว่าไม่มีอะไรหรอม<า>ไม่ไม่มีอะไรเจ้าคะ่ะโอเคเตรียมตัวไปปฏิบัติต่อนนะค่ะทั้หมดจะเจ็ดวันนะเจ้าค่ะเตรียมตัวอยู่ค่ะชอบเลยอดทีนิกิลเลสตายเยอะยยะเลยนะค่ะพระอาจารย์แบบ <laughs> มันบางทีมัน พอเราคุยกับใครเราก็คุยไปแต่พอพอพอเลิกคุยมันตัดมามันก็พุทโทธเลย อ, ะอ่ะอ่ามีมีมันแ <laughs> ป้งอยู่สองอาทิตย์หลังจากที่กลับมาอ่และทีนี้มันก็เริ่มค่อยค่ลดลงละส <laughs> ติเริ่มลงกลับไปชาติใหม่กลับไปค <laughs> <ๆ>่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับมาต้องแล้วพอดีมีอาทิตย์ละครั้งที่พระอาจารย์แนะนําด้วยที่ที่อาทิตย์ละครั้งด้วยมันก็เลยเหมือน อันนี้ก็ค่ะประคองได้หัวเด็กก็เลยอยากไปอีกโอเคดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะวคุณทวิษาจากสวิตเซอร์แลนด์เชิญนมัสการท่านภอาจารย์ค่ะอ่ามันยังไงมีอะไรไหมนี้ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็เข้ามารับฟังเข้ามาเรียนเหมือนเดิมค่ะ เรื่องเนะค่ะท okay. ี่ปฏิบัติค่ะฝึกสติต่อค่ะนงสมาธิทำเจตให้สงบนะค่ะแล้วก็มีอาจจคิดบ้างคิดทางปัญญาใจลักไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรของเราของเราค่ะท่ามอาจารย์โอเคค่ะเดี๋ยวกลับไปที่คุณทัชยามเมื่อกี้เห็นข้อมาก่อนเดี๋ยวข้ามคิวไป กลับไปครับซตัสทิยาหัมีไมโครโฟนกลับกลับนักมัธการค่ะมาจากที่ไหนจ๊ะอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนะมีอะไรไหมก็จริงๆก็มีคำถามเหมือนกันค่ ะ, ะถามได้เลยอย่างเมื่อวานนี้เพเื่อนก็ได้เข้าเข้าฟังด้วยอะค่ ะ, ะที่ภาษาอังกฤษยมีคนคนหนึ่งถ า, ถามถึงเรื่อง อาชีพหรืองานที่ทำแล้วจะบาปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวหนูก็อยากเรียนถามกับเรียนถามนว่าอย่างในกรณีที่ถ้าคนที่ทำที่เป็นโซเชียลออร์แกนเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถือว่าผิดศีลอะไรอย่างนี้ไหมคะสมมติว่าอย่างเช่นถ้าถ้าทำงานในสิ่งที่ทำแล้วก็มีรายเป็นได้รายได้ด้วยแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็ เพื่อจะทําเป็นการกุศลด้วยแบบเนี้ยค่ะอย่างนี้ผิดหรือเปล่าคะอ๋อมันมั น, มนการทํางานก็เรื่องหนึ่งการทํากุศลก็อีกเรื่องหนึ่งการทํางานของเราบางทีอาจจะผิดศีลก็ได้เช่นถ้าเราทําทําอาชีพฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ย่างเงินนี่ไปทําบุญทํากุศลนี่มันก็ได้บุญมันที่ทําบุญก็ได้บุญแต่บาง ท, ที่เราทําเพื่อได้เงินมามันก็ได้เราก็ได้บาปด้วย ทไม่ลบล้างกันค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์อย่างนั้นนะคะอ่าก็ถ้าไม่ผิดศีลห้าก็ก็ถือว่าไม่ไม่บาปอ๋อทำงานที่ไม่ไม่ไม่ไ่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เกี่ยวกับการกระเพื่ผิดตัวนีไม่พูดโสดไม่เดือดร้ายาเมาอันนี้ก็ไม่ก็ถือว่าไม่เป็นบาปใด่างินที่ได้มาก็สามารเอาไปทําบุญได้โดยสุด แล้วมันจะไม่มีบาปมามาติดข้างด้วยเพราะเป็นงานที่ได้มาโดยสะอาดบริสุทธิ์ไงค่ะกล่าวขอบพระคุณคมีตอนนี้เหรอค่ะเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวมีอะไรก็ถามรอบสองก็ได้นะค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะคุณสุพัฒนาเชิญบบอวินก่าววสการพระอาจารย์ต้ค่ะ ยังไงมีอะไรไหมเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะแล้วก็มากล่าวพระอาจารย์แล้วค่ะอืม่าก็ฟังต่อไปนะเดี๋ยวนี้คนอยู่ที่ประเทศเราเชิญอ่านหนังสือไม่ออกจำไม่ได้สี่นามาชเชื่ออะไรสั้นๆอชื่อสอนค่ะพูตดังๆเลยเข้ามาใกล้ๆเนี่ยสียง สอนดวงพรเดชค่ ะ, อคะสอนดวงสอนดวงตัวตัอักษรอ่านอ่านแ้วก็อ อ, อเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษไ ด, ด, ด, ไได้เดี๋ยวจะได้รู้ว่ายังจำไม่ได้เพราะเดี๋ยวเหนืมนะ้ค่ะมีอะไรไหมวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรค่ะเข้ามารับฟังแล้วก็เข้ามาเติมพลังก็มีมหัดเดินจงกรมแล้วก็นั่ง สมาธิก็ปกติก็เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์พยายามนั่งให้มากๆ น, นั่งนั่งนานให้จิตนิ่งๆเฉยๆนะค่ะนาจะรูค่ะโอเคเอคุณหมอจุม่มใช่ไหมคุณหมอจุ่บนไอโฟนต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดตัวไมโครโฟนก่อนอค่ะเปิดเปิดนะคะที่อาจารย์ขา่าวในมาสการค่ะเป็นไงสบายดีเหรอไม่ได้เจอบมา พงานทางโลกเยอะมากเลยค่ะท่าอาจารย์แต่ว่าโยมอาศัยกำหนดพุโทโธค่ะท่าอาจารย์แล้วก็มีเวลาว่างก็ อ, อาจจะแบบไปเหมือนเพิ่งกลับมาจากบ้านตากเหมือนกันคะเพิ่งไปกราบท่าอาจารย์เชอร์ี่ค่ะท่านขา uh ทีนี้ปัญหาของโยมคืออย่างนี้ค่ะท่าอาจารย์โยมรู้สึกว่าพอโยมภาวนามากขึ้นคืออยู่กับพุโทโธมากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพนะะในการทางานมันดีขึ้นชัดเจนเลยค่ะ hmm. เช่น เราเหมือนกับสอนได้ดีขึ้นแล้วก็งานดีขึ้นแล้วมันเหมือนมันมีฟีดแบ็บางทีเราเราไม่ได้ตั้งใจยอย่างเงี้ยค่ะคือคนไข้เขียนมาชมหรือะไรแต่โ ย, ยมก็รู้สึกว่าใจมันไม่ได้กระเพื่อมกับโลกธรรมคือคำชมนะคะท่านอาจารย์คะ <S <S แล้วก็มันก็จะเหมือนกับบางทีมันจะมีตัวรู้ที่แบบสมว่าเกิดขึ้นเองข้างในจิตนะคะท่านอาจารย์เช่นพอมีเรื่องมากระทบแทนที่ มันก็จะเหมือนกับมีตัวสอนให้ดูจิตข้างในอย่างนี้ค่ะแต่ปัญหาของโยมคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าโยมเจอปัญหาเหมือนกับทางโลกเยอะขึ้นเช่นคนจะอิจชา้าหมันไส้เพราะมันเหมือนโยมอบบไม่มีมนมุษยสัมพันธ์เพราะว่าบางทีมันเหมือนโยมพูดไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์ถ้าไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องงานหรือภาระหน้าที่คือคือหัวมันไม่มีคําพูดอะค่ะท่านอาจารย์มันก็เหมือนกับ มันเหมือนมันไม่ได้เกลียดใครแต่มันมันพูดออกไปไม่ได้คือคือบางทีอ่ะบังคับแค่พูดสอนน่ยมันก็ยากอยู่แล้วค่ะท่านอาจารย์แล้วมันก็จะกลับมาอยู่ที่พุทโธข้างในทีนี้ตอนหลังๆมันก็เริ่มมีความอยากจะบวชเยอะขึ้นค่ะท่านอาจารย์ขาแต่ว่าอีกจิตหนึ่งมันก็จะสอนว่าอย่างโยมอ่ะมันต้องอยู่ทางโลกให้มันจบก่อนคือโยมรู้สึกว่าตัวมานะละเอียดของโยมอะค่ะมันต้องอยู่แบบทางโลกเนี่แหละค่ะเพราะเวลาที่โยมไปอยู่วัด ยมรู้สึกว่าครูบาอาจารย์เมตตามากว่ายอมจะไม่เห็นตัวมานะพวกเนี้ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะ mm hmm. ยอมรู้สึกว่าจริตอย่างโยมอะมันต้องอยู่ทั้งโลกให้คนเขากระหน่ำแล้ะยอมจะเห็นพวกมานะละเอียดเงี้ยค่ะว่ามันยังต้องขัดเกลาอยู่ค่ะท่านอาจารย์ยมก็เลยไม่รู้ว่าคือมันมันจะรู้ได้ไงว่าถึงเวลาละที่เราจะแบบถือบวชอย่างจริงจังค่ะท่านอาจารย์แล้วก็จริงๆอย่างเมื่อสองสาเดือนก่อนค่ะท่านอาจารย์ยมไปกราบหลวงปู่ทุยอะค่ะ แล้วก็พอพอจริงๆบอปู่ทุยเขาพูดเลยบอกว่าเออหมอจุม้มถือศีลห้าครบนะถึงแลาตายเนี่ยเราไปดูศีลแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้อง เ, าเอาไหมาใครมากุศลาทามาแล้วมันแปลกมากค่ะถ้าอาจารย์พอออกจากวัดหุปู่ทุยปุ๊ บ, ย, บ ย, ยมหยุดหายใจที่โรงพยาบาลเขากำลังจะปั๊มโยมขึ้นมา แล้วตอนแรกโยมก็ไ like รสติค่ะท่านอาจารย์โยมก็บวแต่ไปชื่นชมคำที่หลวงปู่ทุยบอกโยมว่าถ้าโยมตายโยมไม่กลัวเลยโยมคงจะไปที่ดีแต่โยมมานั่งรีไลฟ์ว่าจริงๆแล้วอะช่วงเวลานั้นเนะ่ะถ้าโยมไม่มีสติอะคะ่ะโยมก็จะไปไม่ดีแน่นอ น, นะท<ม>่านอาจารย์ค่ะก็ไม่รู้ว่าโยมเข้าใจถูกไหมคะท่านอาจารย์ค่ะสติจำจําเป็นที่สุดค่ะ <c oughs> คือการบวชมันดีกว่าการไม่บวชก็คือจะได้มีเวลา ปฏิบัติก<ฆ>็มากขึ้นเล<ฆ>้วม้กลัวหรอกไอตัวไอตัวมานะนี่มันอยู่คนเดียวมันก็เกิดขึ้นได้<ฆ>ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เกิดไม่ต้อง<ฆ>อันนี้เป็นข้ออ้างของกิเลสมาก่ะมันจะไม่อยากให้เร<ฆ>าบวช ค่ะแล้วก็เร็วๆเนี้ยค่ะถ้าอาจารย์ไม่ถี่วันมาเนี้ยค่ะจู่ๆคําว่าสักยัิทิคือเวลามันมีตัวรู้ค่ะถ้าอาจารย์มันเกิดเป็นอันตโนมัติแล้วมันอธิบายไม่บอกมันเหมือนมันเหมือนมันดีดยุ้งมือค่ะอาจารย์ปั๊บแบบมันรู้เลยว่าจิตข้างในมันรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เช่นจู่ๆค่ะคําว่าสักยัติทิโยมก็รู้สึกขึ้นมาว่ามันเป็นความรู้สึกว่าต่อให้เรายังไม่เข้าในเป็นพระอริยบุคคลนะคะ แต่ยมเชื่อมั่นว่าศักยภาพเราอ่ะวันหนึ่งต้องไปถึงไม่พบนี้ก็พบไหนคือมันเหมือนจิตมันบอกเนี้ยค่ะถ้านอาจารย์ป๊อเดียวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นการมันเป็นมันเป็นตัวรู้จริงหรือว่ามันเป็นวิปปัสนูกิเลสคอท่านอาจารย์คะมันก็เป็นตัวที่มันอาจจะมีความมั่นใจในตัวเราเองว่าเราเข้าใกล้แล้วค่ะมั่นใจว่เราเรามีธรรมเราเข้าจะเข้าเข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นไปมาก ก็สามารถที่จะกําหนดภายในใจได้ว่ามันต้องได้แน่ๆไม่ใช่ก็แล้วไ่เสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปอันนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นนิมิตมายบอกเราว่าให้กําลังใจกับเราค่ะแล้วมันก็เหมือนกับที่ทอาจารย์เคยสอนว่ามันเหมือนกับเมื่อก่อนนะคะเวลาที่เราภาวนาค่ะาอาจารขาบัญชีมันมีปิติมีสุขหรือมันมีมันมีอุเบกขาอยู่แล้วพร้อม บางช่วงมันหายมันก็จะเกิดความไม่ชอบแต่ตอนเนี้ค่ะก็จะคิดว่าอะไรจะเกิดไม่ยุ่งค่ะไม่เที่ยงไม่ยุ่งอะไรจะเกิดวันนี้กําลังอ่อนเพราะว่าจิตมันอาจจะต้องส่งออกน้องในการที่ออกไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมันก็จะเห็นเลยว่าวันนี้มันไม่สงบแต่ก็พยายามข่มมันไว้ว่าอะไรก็ไม่เที่ยงช่างมันช่างมันอย่างนี้ก็พยายามรักษาสํารวมกายวาจาใจก็คือไม่ทําชั่ว ทำดีท่านจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะท่าอาจารย์ค่แล้วถ้าเกิดมันเอาไม่อยู่มันหนักมนักก็กำหนดรัวพุโทโธไปให้มันกดมันให้อยู่เอง ค, ค่ะท่านอาจารย์ค่ะถูกต้องถูกต้องค่ ะ, ะ, คะใช่ได้คอยควบคุมจิอย่าให้มันปล่อยออกมาทางกายวาจาใจค่ะ ม, มันจะฟุ้งกายมันฟุ้งข้างในเบื้องต้นก็อย่าปาะอย่าระบายออกทางกายวาจาใจค่ะทางกายวาจาแล้วถ้าใจถ้ามันยังฟุ้งอยู่ก็ใช้พุทโธสู้มันไป ค่ะแล้วก็<ม>แล้วก็เหมือนกับที่ท่าอาจารย์บอกก็คือไม่ก่อเวรค่ะ<ม>คือใครเขาจะมองเรายัางไงเอโ ย, ยมเชืเ่อว่าเราเรามั่นมั่นคงใน<ม>ใน ใ, ในทางนี้แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเหมือนที่ท่าอาจารย์สอนว่ามันโลกธรรมมันเปลี่ยนไม่ได้ท่าอาจารย์มันเป็นบททดสอบที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโลกธรรมแล้วมันก็ทําให้รู้ว่ามันจริงๆแล้วเราจะรู้เลยว่ามันเราปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไม่สนใจว่า เราจะไปที่ไหนเราจะเป็นเทวดาหรือเราจะลงนรกแต่เรารู้สึกว่าทางเดินนะคะมันดูแบบเราสบายใจมากขึ้นเรารู้ว่าเราคงเราคงจะมีเหตุและปัจจัยไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะคือที่ใจเรานะเวลาอยู่ที่ใจแล้วเวลาแก้เราอ็แก้ที่ใจค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะค่ะแล้วเวลาตัวรู้ ตัวรู้ที่มันเกิดเนี้ยมันมันเป็นตัวรู้ที่มันโยมไม่ใช่วิปัสนาคิเลตใช่ไหมคะท่าอาจารย์เวลาที่แบบมันเหมือนกับมันปึ๊กขึ้นมาเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าอาจารย์ค่ะค่ะพอจิตมันมองเข้าข้างในตัวรู้มันก็โกลัขึ้นค่ะ<า><ม>เพราะว่ามีครั้งหนึ่งคะ่ะถ้าอาจารย์อย่างไอตัวราคะเนี้ยโยมว่าบางทีโยมยังติดจริตแบบของสวยของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเสพกามเนี่ยบางทีมันน้อยมากแทบจะไม่เสพกามเลยแต่ว่า โยมว่ามันก็เป็นเรื่องของทาาแขันร่างกายฮอร์โมนสมมตินะคะถ้าอาจารย์แล้วยมก็เป็นคนที่พิจารณาอัศวะมันไม่ค่อยก้าวหน้าแค่ไหนคะ่ะท่าอาจารย์แต่มีวันหนึ่งอะค่ะพอมันเดินไปเห็นภาพลูกงูยัวเยะค่ะท่าอาจารย์จิตมันสอนเลยคะ่ะว่า น, นี่ไงการพบชาติเผ่าพันธุ์แล้วมันมันกลัวเลยคะ่ะถ้าอาจารย์ <c oughs> แล้วมันก็จะอยู่มั่นคงแบบสามสี่เดือนโดยที่ราคะไม่เกิดอย่างเงี้ยฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่แล้วโยมก็เหมือนกับยอมก็ต้องมาฝึก ดูหมาว่าอะไรที่มันตรงกับจริตโยมที่มันจะตีกระหน่ำโยมได้อย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะแต่ละคนงานจะลองหาอูบายของตนเองค่ะค่ะค่ะกขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงสงการหยุดงานคงได้ไปกราบคะท่านอาจารย์ค่ะค่ะค่ะตอนนี้หายดีแล้วหรอสภาพอ๋อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลครับอาจารย์ตอนแรกเขาขูว่าลำไส้จะแตกแต่ว่า ยมว่าแบบฝึกหัดเรื่องร่างกายมันมันไม่ค่อยหนักสำหรับโยมถ้าอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนี้โยมไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลนะคะอะไรมันจะจเกิดก็เกิดอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่อนข้างแล้วก็ใช่ค่ะก็พยายามแบบคิดว่าแบบโยมคิดว่าโยมคุ้มแล้วค่ะถ้าอาจารย์เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาได้ทำเหตุปัจจัยพอสมควรแล้วมันก็เหมือนเราก็เหมือนที่ท่านอาจารย์บอกค่ะเราเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าข่าวว่าเราจะปลอดภัยค่ะ ทีนี้ก็เอาขลิตต่อพอที่นแล้วก็พยายามทุ่มเต็มที่เดี๋ยวผลจะตามมาค่ะกลับขอบคุณค่ะอาจารย์ขาค่ะด้วยจ้ะค่ะก็ซารอนุโมทนาปัจจัยที่ที่ทำบุญมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะกับทุกคนที่ร่วมกันโอเคคุณอ้อมเชิญจากคุณอ้อมจากบอเวนะ อ่าป uh, uh ัไมค์ก่อนคุณอ้อมค่ะนมัศ ก, การคะ่ะพระอาจารย์อ่า uh, พูดดงังๆเลยค่ะเ uh huh. อ่อกระแส uh huh. เข้าสู่พระนิพพานกระแสรเริ่มต้นที่โสดาบันนะคะพระอาจารย์ uh huh. คืออยากรู้ว่าต้องมีศีลระดับไหนหมายถึงศีลห้าหรือศีลแปดสมาธิระดับไหนระดับขณิกะหรืออัปปนานแล้วก็การพิจารณาปัญญาคะ่ะพอดีเหมือนที่อาทิตย์ก่อนพระอาจารย์พูดเรื่องการละสังสารสังโยชน์ จะได้สูตบาแต่ทีเนี้ยระดับศีลสมาธิมันประมาณระดับไหนคะก็แล้วแต่ว่าเราได้สมาธิหรือไม่ถ้าเราได้สมาธิแล้วศีลห้าก็ศีลแปดก็เหมือนกันแต่ถ้าเรายังไม่ได้สมาธินี่ศีลห้าอาจจะไม่พอต้องใช้ศีลแปดเพื่อให้จิตมันมีเวลามาปฏิบัติทมนั่นก็แล้วแต่ คือยังไงก็ต้องได้อัปปนาสมาธิโดยสินห้าหรือสินแปดก็ได้แล้วแต่ถ้าถือสินห้าแล้วสามารถเข้าสมาธิในะเข้าอัปปนาได้ก็สินห้าก็พอแตถ้าเข้าไม่ได้ก็อาจจะต้องเอาสินแปดไปเปียกเว้อยู่คนเดียวอย่างนี้พอได้อัปปนาสมาธิแล้วก็พิจารณาไตายักในขันธ์ห้าของร่างกายใช่อ่มร่างกายเวทนา ร่างกายกับเวทนาเป็นหลักร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายเวทนาก็ต้องเจ็บมีทั้งเจ็บมีทั้งไม่เจ็บมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เป็นตายละไปะไปไปบังคับไปควบคุมมันไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับกันไปใจต้องรู้ทันแล้วก็ปล่อยว่างอย่าไปทุกข์กับมัน ไม่ทุกข์กับความเจ็บจะเจ็บปวดขนาดไหนก็เฉยได้ยิ้มได้ยิ้มในใจได้ค่ะจะตายก็ยิ้มได้เงี้ยก็จะเป็นโซดาบันได้อทําได้อย่างยิ้มได้อยิ้มยิ้มได้ตอนนี้แต่เวลาเจ็บขึ้นมายิ้มไม่ออกค่หน้าเบี้ยวหน้าบูนค่ะค่ะพอดีแฟนเขาถามแล้วทีเนี้ย ลอ้อมก็เลยตอบไปว่าต้องได้อัปปนาสมาธิแต่ทีเนี้ยไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองตอบถูกหรือเปล่าก็เลยมาถามอาจารย์ก่อนค่ะค่ะถ้าถือศีลห้าแล้วได้อัปปนาสมาธิก็ได้ <c oughs> ถ้าถือศีลห้าไม่ได้ก็ต้องถือศีลแปดศีลแปดมันขึ้นเขาเนี้ยเข้าเกียร์เข้าเกียร์เกียร์ยสูงมันขึ้นไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนลงมาเกียร์ต่ำ <c oughs> มันจะได้มีกําลังมากขึ้นศีลเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสมาธิ <c oughs> สมาธิเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดปัญญาคงั้นสีนก็ห้าแล้วก็ได้ห้าทุกแปดก็ได้ถ้าเราสามารถใช้มันสนับสนุนให้เราได้อัปปนาสมาธิก็แล้วพอมีอัปปนาสมาธิก็เจริญตายักปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ป ล, ไดปล่อยวางขันห้าดได้อาจารย์คะค่ ะ, นะคะไม่มีคําถามแล้วค่ะโอเค ค่ะขอบพระคุณค่ะเราที่แร้ไม่ได้มาเลยมาค่ะพ่ะอาจารย์ใส่หน้ากากมาไม่ได้ขออภัยด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านต่อไปคุณอรุณนณทเม่กี้ถามล้วใช่ไหมผ่านไปนะถามถามนะครับคุณคุณไอโฟนอีกคนไอโฟนครับครับคุณไอโฟนเข้ามาในที่ใส่หน้ากาเนี่ยเชิญ อันเอันเียมอออันเดียอ่าค่ะอ่าอยอยู่ที่ไหนงงถ้าอาจารย์เป็นเนาะเป็นพี่สาวของคุณปูอะค่ะของคุณปูที่อยู่ัแแลนด์ซิลเวอร์สปริงอะค่ะอ๋อโอเคค่ะที่ที่โทรศัพท์คุยกับท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ถามว่า เห็นหน้าไม้สาวนี่นี่มาเมื่อเช้านี้ก็มานี่สาวแล้วสาวมาวัดบ่อยๆค่ะเมื่อเช้านี้ก็มาค่ะเมื่อเช้านี้ก็มาค่ะท่านคือเพิ่งจะได้รับหนังสือที่ท่านฝากมาให้สองเล่มนะค่ะคือยังไม่ได้รับนะคะเพียงแต่ว่าเขาส่งไปให้ผ่าดไปแค่เซี่ยวนาทีเองถือว่าเมลไปถึงปุ๊บคนที่ไปรับของได้ทันทีเลยเขาบอกว่า อุ้ยมีบุญแล้วเกินที่ได้หนังสือพระ้าจารนนะคะ่ะเอเดี๋ยวกลับมาจะจะได้อ่านหนังสือค่ะตอนที่ก็ส่งกลับมาที่ที่ที่รัานแมร์แลนด์นี่ค่ะโอเคดีค่ะแต่คงไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เพิ่งจะเข้ามาเป็นครั้งแรกอะค่ะท่านอ่าได้ก็ลองฟังเรื่อยๆก่อนนะค่ ะ, ค ะ, ววะการรับราการขท่านสาธุค่ะแล้วเมือม่อไหร่จะกลับลมงไทยนะอยากจะกลับค่ะแต่ว่าต้องขายร้านที่นี่ก่อนแต่ว่าตอนนี้ ยังไม่มีคนมาติดต่อที่ร้านเพราะว่าทําธุรกิจทํำชำระบัตรที่ที่รัดที่นี่อะค่ะอแล้วตอนนี้ทําเหนื่อยมากทีงบอกว่าแก่แล้วอยากจะกลับไปเมืองไทยบ้างอยากจะย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยอะคงไม่ย้ายอ่ะค่ะเพราะว่าปรับสภาพตัวเองคงไม่ได้ละค่ะเพราะว่าคืออยู่ที่นี่มาชินอยู่มาเกือบเกือบสามสิบปีแล้วค่ะท่านแล้วก็กลับไปเมืองไทย คงแต่ว่าจะต้องกลับไปยังไงยังไงก็บอกไว้แล้วว่าจะต้องกลับไปกราบพระอาจารย์ให้ได้อะค่ะต้องกลับไปครั้งนี้อะค่ะโอเคค่ะมาก็แวะเข้ามาพบกันก็แล้วกันต้องมาค่ะต้องมาแน่นแน่นอนค่ะต้องมากราบท่านแน่นอนค่ะคุณตอนเช้าเวลาน้องใส่บาตจะให้เขาให้โทรศัพท์ติดต่อมาก็ได้ค่วิดีโอคอลให้ท่านกราบจะได้เห็นท่านบ้างค่ะอค่ะนวัตการค่ะสาธุค่ะ สาทุก่ะคุณคุณปลาเลยคุณปลายาภูเขาเะยยายากรุษาคุณปลายากรุษาครับ่ครับอยู่ที่ไหนคุณยากภูษเนี่ยหายไปได้หายไปละเนไฮะอออเจแล้วฮะเด็กๆบกดอันมิวฮะอ่าชพูดได้เลยกดกดอันมิวฮะ ได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินได้ยเชิญมาวันนี้มาคู่เจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนกรุงเทพเหรออยู่บังบัวทองเจ้าค่ะบังบัวทองค่ะมีอะไรไหมวันนี้ก็อ่าก็ยังทําสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างวันนี้ไปอพาลูกไปทานทานข้าวอาหารมื้อเย็นแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะไม่ทานมื้อเย็นนะคะก็รอเขาอยู่ในรถระหว่างที่รอก็ทําสมาธิไปด้วยเจ้าค่ะ มีความสึกว่ามันอิจฉาใจดีค่ะใช้เวลาอยู่ประมาณสามสิบนาทีค่ะดีค่ะดึกไปบ่อยๆฝึกเรื่อยๆดีกว่าท่านดูละครนั่งดูอะไรปวดหัวนั่งสมาธิแล้วใจเย็นสบายค่ะพยายามไม่เปิดเน็ตนะคะถ้าเปิดเน็ตก็เผล อ, อ, อถ้าเปิดเน็ตก็อยากจะเล่นโทรศัพท์อะคะอ่ะดีต้องหักข้ามจิตใจไว้บ้างใช้เท่าที่จำเป็น คะ <S 1> <1> <S ่ค<ล>ะไม่มีคําถามอะไรเลยไมนะกรรมการครับอาจารย์คําถามยังไม่มีครับก็ก็ปฏิบัติทุกเช้าอยู่ครับดีได้ตอนกอนนอนครับทั้เช้าทั้งเย็นก่อนนอนเนี่ยคืนนี้ก็รำปฏิบัติก่อนนอน 1> <1> ตอนนี้ได้รอบเช้าครับรอบเช้าประมาณตีสามตีสี่เน<ม>ี <S 1> <1> <S เ่ยครับก็ได้ก็ไดครับก่อนนอนอาจจะอาจจะเหนื่อยนะอาจจะไม่มีแรงอยากจะนอนครับแต่ว่าถ้าทําก่อนนอนท่าอาจารย์มันจะเหมือนปลาสว่างอะค่ะ มันสดนนชื่นนะก็ะจะนอนจริงๆก็ได้แต่ว่ามันมันจะไม่ง่วงอะค่ะมันตาสว่างอะค่ะเจ้าค่ะอมันก็หลับได้พอเวลาหลับก็หลับไปเฉยเเดี๋ยว ม, มันก็หลับไปได้เจ้าค่ะกับบางทีก็นอนภาวนาครับแล้วก็หลับไปหลับไปเลยนะดีแต่หลังๆนี่ก็คือหลับแล้วก็จะไม่ฝันแล้วครับก็ถ้าปฏิบัติสมาธิมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยฝันเพราะมันหยุดความคิดครับครับก็จะรู้สึกว่า ตื่เช้ามาก็ไม่รู้เลยเมื่อคืนนี้ได้ฝันอะไรนอนหลับสดชื่นแบบบานครับเมีอะไรไหมคําถามตอนนี้ยังไม่มีครับอาจารย์งั้นฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้ามีอะครับอ่าคุณคุณมาเรย์เจนคุณมาเรยเด็กชายพิโลสเฟต กลับหลวงพ่อค่ะกลับถึงบ้านแล้วเหรอเพิ่กลับมาสักแป๊บหนึ่งค่ะวันนี้ดึกเส <c oughs> ียงเบาไปหน่อยเสียงเบาไปหน่อยค่ะหลวงได้ยินไหมคะได้ยินนะหลวงพ่อหนูปฏิบัติอาทิตย์ที่ผ่านมานี่จิตมันฟุง้งมันมันไม่รวมันไม่สงบค่ะมันก็มีเรื่องเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูไม่ทิ้งเลยสักวันหนึ่งก็ยังทําเหมือนเดิมพอได้เวลามันมันจะลุกขึ้นมาเองตีสี่อะไรเงี้ยค่ะ หนูก็ยังทําอยู่ตีสี่ปฏิบัติอยู่สงบไม่สงบก็ทํามันไปบางทีมันอยู่ที่เรื่องราวต่างๆมันข้างคาข้างค่าอยู่ในใจมากเหมือนก็สงบยากคือบางทีสติเราน้อยเราเพลิมากก็สงบยากก็ต้องทําค่ะแล้วเช้าเช้าพอไปถึงที่ทํางานหนูก็ไปทําต่ออีกค่ะของพ่อทํา เนี่ยแล้วก็กลับมากลับมาเดี๋ยวพอเสร็จจากเรียนกับหลวงพ่อเสร็จหนูก็ทําปฏิบัติต่อคือเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ออย่าทิ้งปฏิบัติมากน้อยก็ทําไปพอมีเวลาว่างก็ทาไปค่ะหลวงพ่อครับแต่ว่าเวลาที่มันฟุ้งเนี่ยเราก็รู้รู้สึกตัวตลอดนะคะว่าเออเนี่ยมันฟุ้งแล้วเราก็ยังดึงกลับเข้ามาพอพอกับท่อุโทโธไทค่ะมันเหมือนมัน พอพอพุดโธพูดโธไปแล้วค่ะมันเหมือนมันกําลังจะดีจะเข้าที่มันก็หมดเวลาเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือเราต้องไปทํางานก็ไม่เป็นไรก็ทำํำที่ทําได้ไปก่อนค่ะหลวงพ่อก็ยังปฏิบัติไ ม, ไม่ไม่ทิ้งเลยค่ะหลวงพอยิ่งเวลาเราทุกเนี่ยหนูไม่มีไม่มีที่ตรงไหนที่มันจะช่วยให้เราจิตใจเราสบายได้เท่ากับเวลาเราไปนั่งปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อ เดี๋ยวแม้ท่านนั่งไม่ได้ก็ที่พุทธทัวไปภายในใจก็ได้อยู่ตรงไหนก็ที่พุทธพุทธทไปก็ได้ค่ะห<ม>ลวงพ่ออย่างวันเนี้ยจะรีบกลับมาก็งานไม่ไม่เสร็จทำไม่ได้อะไรเงี้ยใจมันก็กังวลค่ะหลวงพ่อว่าเ<ม>นี่ยได้เวลาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ก็เลยต้องทิ้งกลับมามันก็เลยก็อย่างนี้แนหะชีวิตของคองารวะของผู้ ม, มีงานทํามันก็จะต้องแบกรับแบกสู้ในทางทำไปค่ะ หลวมพ่อคัดแต่มันมีความคิดว่าปกติไม่ไม่คิดอยากออกจากงานแต่พอมาคราวนี้ยมันเหมือนมีความคิดว่าไอ้ที่เราฟุ้งซ่านวุ่นวายเกี่ยวกับไอ้เรื่องทำงานอะไรเงี้ยใจมั น, ม, นมันถามขึ้นมาว่าทำแล้วมันคงหรือเปล่า <ARM> <S <S <ess> <S ใช่ใช่ใช่เ่ะหลว่ามันมีคำถามเงินเดือนเกิดเงินเดือนกับได้ความวุ่นวายกับจิตใจใช่ใช่ <S <S <ess> <S ค, ค่ะมันถามขึ้นมาเลยว่าทําไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยหลวงพ่อในใจมันถามแบบเนี้ยค่ะก็ทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงเท้าถ้าถ้าเรายังต้องอาศายงานนี้ก็ต้องทําไป <S 2> <S 2> แต่ไม่ได้ทําเพื่อหวังสะสมเงินให้เล่าแห่รวยอะไรค่ะหลวงพ่อมันแต่ว่าใจมันก็แวบว่ามันเหมือนมันน่าจะทําให้เรา เออเหมือนตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะเราจะยังไงดีจะอาจจะเปลี่ยนงานก็ได้ทางงานทำที่มันไม่ต้องทำมากงานส่วนตัวขายขายตรงขายประกันขายเครื่องน้ำมัอขายแอมโมแอมเวอะไรก็ได้ <c oughs> เราก็เลือกเวลาขายได้หนูปกติจะไม่คิดเอ๊ะหรือว่าจะออกจากงานอะไรเงี้ยหลวงพ่อมันมีความคิดขึ้นมาในหัวหว่ามันยังไงดีอะไรเงี้ย เ ร, เ, เราเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนทาสเวลาทำงานนี้เราเป็นเหมือนทาสเราต้องรับใช้บริษัทรับใช้คนที่จ่ายเงินเดือนให้กับเราค่ะก็พยายามพยายามจะทำแต่พอทำไปหนักๆเข้ามันเกิดคำถามว่าเพื่อเพื่ออะไรเราก็ถ้าพูดถึงเราเราไม่ต้องทำขนาดนี้เราก็พออยู่ได้อะไ ร, งไรงเงี้ยหลวงพ่อหนุปัญญาเกิดนะปัญญาเกิด หลวงพ่อมันจะไม่ไหวหลวงพ่ อ, อมีความรู้สึกว่ามันเ อ, อย่มเกิดแสดงว่าเริ่มหาทางออกนะเริ่มเมแบบเริ่มไปบอกที่บ้านว่าถ้าออกจากงานอะ่ะจะว่าไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ายังต้องกินต้องใช้อยู่นะอะไรเงี้ยหนูก็โอ้ยรู้สึกรู้สึกมันไม่เป็นสุขค่ะหลวงพ่อมันมัน<ก>ไม่สงบลองลองปรับงานได้ไหมเปลี่ยนงานได้ไหม ลึมล้ำยากมันเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วตอนนี้พอดีที่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็กําลังจะปรับเหมือนเขาเรียกโครงสร้างงานจะปรับอะไรใหม่ด้วยก็ น, นึกในใจว่าถ้าเกิดเขายุบหรือเขาย้ายอะไรเงี้ยก็ดีค่ะหลวงพ่อเถื่อว่ามันจะมีหนทางที่ทําให้หนูได้คิดอะไรออกได้ตัดสินใจอะไรได้ก็ลองเผื่อเผื่อพูดให้เาา้าทราบ ว่าถ้าจะลดยานให้เราทําก็ได้นะเช่นงานที้ให้เราทำห้าวันให้เราสี่วันก็ได้อนะไรอย่างนี้จะละองเนเดือนลองหน่อยก็ไม่ว่าอะไรเราจะเอาข อ, เ, อาเวลาดีกว่าเวลาสําคัญก่อนเงินเดือนนะเนี่ยมันหนูว่าหนูตัวหนูจะหมดเวลาอยู่แล้วคะ่ะคือปฏิบัติมันยังน้อยไปอ่ะคะ่ะหลวงพ่ออลองดูเสถีําคุยถ้าเขามีการปรับของ้างบริษัทอะไรบอกเนอยู่าถ้าเคยต้ อ, องการลด ลดปริมาณงานการให้น้อยตรงลดเงินเดือนก็ยินดีค่ะดีไหมก็เดี๋ยวหนูรอฟังข่าวก่อนว่าเขาจะปรับยังไงอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วเราเราเราพร้อมที่จะลดเงินเดือนไหมล่ะหนูพร้อมพร้อมค่ะหลวงพ่อไม่เดือด้อนใช่ไหมก็ตามอัตราภาพค่ะหลวงพ่อมีน้อยก็ใช้น้อยนะใช่ค่ะพระเจ้าบอกต้วปฏิบัติต้องมักน้อยสันโดษ ใช่ค่ะเพราะทุกวันนี้ก็ไม่ได้หวังว่าจะมากไปกว่านี้แล้วค่ะแค่อยู่ไปแล้วไม่เดือดร้อนแล้วก็มีปัจจัยทาบุญมีอะไรอย่างเงี้บ้างแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อบุญก็ทำออกตัวเราก็ได้ถ้าไม่มีมากก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งแลแต่หนูก็ทาทานทุกวันนะคะหลวงพ่อไม่ขาดค่ะถึงจะจะเครียดจะทุกยังไงหนูก็ไม่ขาดค่ะ ยังไงก็ไม่ขาดถ้าทําได้ก็ทําไปขาดหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติทุกวันค่ะไม่ไม่ขาดค่ะเพราะว่าสร้างภาวนาให้ขอบช่วยใช่ค่ะเพียงแต่ว่าหนูหนูตรงภาวนาเนี่ยมันที่หลวงพ่อบอกว่าเหตุปัจัยไอ้เหตุมันน้อยใช่ไหมคะหลวงพ่อเวลามันน้อยอเวลาที่จะสร้างเหตุมันน้อยใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อก็เลยเนี่ยต้องหาเวลามาปฏิบัติให้ได้ หนูก็พยายามว่าถ้าเกิดเขาปรับแล้วเกิดหนูลางานอะไรได้อะไรเงี้ยหนูก็จะลาค่ะหลวงพ่อเราดูน้ำคนกับเขาด้วยนะค่ะหลวงพ่อโอเคแต่ค่ะหลวงพ่อวันนี้ก็ไม่มีคําถามเลยนะใช่ค่ะมีมีแต่ความฟุ้งของหนูนี่ขอบคุณยืนบันใช้สติยืนบันพุทโธพุทโธค่ะหลวงพ่อโอเคขอบพระคุณค่ะท่านต่อไปคุณหมอยินนะคุณหมอยินใช่ อ uh, ันเดียวกันมาสกการเจ้าค่ะมีงไงมีอะไรไหมมีคำถามไหมไม่เคยมาเข้าซูงเจ้าค่ะก็พอดีมีคำถามนิดนึงเจ้าค่ะพอดีเพิ่งนั่งสมาธิเมื่อวานแล้วทีนี้ตอนที่เราบริกรรมปุทโทรเจ้าค่ะก็คือหนูก็อาศัยพุทธานุสตินะคะแล้วก็ทีนี้เหมือนกับจับลมหายใจไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เหมือนเข้าไปอยู่ในภวังอืม มันเหมือนตอนนั้นไม่รู้สึกถึงลมหายใจแล้วเงี้ยเจ้าค่ะแต่ทีนี้ก็ก็รู้สึกว่างเปล่าค่ะแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อใช่ค่ะให้ลูกเฉยๆให้อยู่ให้อยู่เฉยๆก็กําหนดไปอ่ะค่ะอ่ากำหนดไปอย่าไปคิดอย่าไปอะไรอย่าไปหาอะไรอย่าไปอยู่กับความว่างไปอ๋อจิตกําลังจะเข้าสู่ความสงบเนี่ยอันนี้กําลังกําลังจะปล่อยเดี๋ยวมันก็ปล่อยถ้าเราไม่ไปทําอะไรมันเดี๋ยวมันก็ปล่อย อืจิตก็จะเข้าสู่เด่นเข้าสู่ความสงบมันก็จะเย็นจะสบายขึ้นมาตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรมันเดดจิ ต, จตมันจะเล่งเฉยเป็นเบคคาอื ม, อมเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสมาธิบ้างไหมเจ้าคะเขาเรียกว่าสมาธิถ้าอยู่ถ้าเนี่งแป๊บเดียวก็เรียกว่าคณิกาสมาธิคณิกาถ้าเนี่ยงานนานก็เรียกว่าัปนาสมาธิอืมสมาธิมีสองอัน เมืองตอนนี้ส่วนใหญ่ <c oughs> ยังเปอันนี้กะพ อ, อ น, นิ่งปั๊บแล้วลมันจะถอนออกมาเจ้าค่ะถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆสติมีกําลังมากขึ้นมันก็จะเนิ่งไม่นานอ๋อก็คือเป็นอับปานาแล้วก็ถ้ากรณีเกิดนิมิตก็คือจะเรียกว่าเป็นอุปจาระใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าใช่ก็ไม่ควรที่จะไปตามนิมิตควรจะเดินกลับมาให้อยู่ที่กับความว่างอยู่กับอุเบคคาเจ้าค่ะนิมิตมันมีทั้ ง, ม, งมีทั้งคุณทั้งโทษ แล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่ อ, ตอการเป็นจริญปัญญานอกจากนิมิตเป็นนิมิต ท, ที่เกี่ยวกับปัญญาเช่นนิมิต ท, ที่เกี่ยวกับไตรลักษณ์นี่ก็ก็ใช้มาทางปัญญาได้ต่อค่ะค่ะเมื่อต้นนี้อยากย้ายนิ่งเฉยๆอยู่กับคำว่างไปนานๆต่ค่ะจะได้มีพลังความนิ่งนี่เป็นพลังของจิตพราเวลาจะหยุดกิเลยก็ต้องใช้ความนิ่งหยุดมันเวลาเกิดความโลภความโกรธ ถ, ถ้าเราไม เราทบใจให้นิ่งได้ความโลภความโกรธมันก็จะหายไปเจ้าค่ะอืออืเท่านี้เจ้าค่ะเท่านี้นะโอเคเดี๋ยวก็ฟังต่อไปถ้ามีอะไรก็อยากจะถามเดี๋ยวก็ถามได้อีกไงอ่าไทยเอ่ยท่านตอไปคุณสุทธาจินย์ทัศนีเป็นยังไงอยู่ที่ไหน ออยู่ประทุมธานีเจ้ า, าจค่ะพัตันค่ะอ่าใช่ช่วงนี้งานเยรู้สึกว่าอ่าไม่มีเวลาภาวนาเจ้ า, าจค่ะพัตันค่ะก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวอ่าจะทํางานอีกอห้าแล้วไม่เกินเจ็ดปีเจ้ า, าจค่ะพัตันค่ะจะได้อ่อกมาปฏิบัติอย่างเติมที่มันงานมันลดไม่ได้เจ้าค่ะพัตันค่ะคิดวาจะอยู่ถึงห้าปีเจ็ดปีละ อาจจะไม่ถึงเจ้าค่ะอาจจะไม่ถึงก็ช่วงนี้ก็ปฏิบัติควบคู่กับทํางานไปด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ออกมาไม่ได้อยู่ดีใช่ไหต้องใช้เวลานเ่เหมือนเครื่องบินต้องเว ล, ลาน์ลานวิ่งให้มันวิ่งขึ้นขึ้นข้างบนได้มันต้องมีรันเว่ใช่ไหมลานเว่ของเราก็ยาวห้าปีเจ็ดปีนะมันมีภาระเรื่องเรื่องบ้านเจ้าค่ะอาจา <c oughs> เรื่องบ้านเรื่องเดียวค่ะ <c oughs> ก็จไปเช่า บ, บ้านอยู่ก็ได้ไม่ใช่ไหมอ่าพอดีซื้อซื้อตึกคะ่ะอาจารย์ขาซื้อตึกอ่าคือก่อนหน้า น, นั้นหนูเช่าเปิดคลินิกค่ะเช่าเช่าเขาได้ประมาณสักสักสิบสิบปีคะ่ะอาจารย์ขาอยู่ดีเขาก็ไม่ให้เราอยู่อ่าเขาประกาศขายแล้ราคามันสูงขายประมาณสิบเก้าล้านหนูซื้อไม่ไหวก็เลยออกมาซื้อตึกเองเจ้าค่ะอาจารย์ขาก็คิดว่าถ้าขยันก็อีกน่าจะห้าถึงเจ็ดปีน่าจะหมดค่ะ แล้วก็จะได้เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำรับเพื่อใช้จ่ายในการดูแลดูแลตัวเองะค่ะดูแลครอบครัวค่ะก็วางแผนไว้ก็ดีเหมือนกันจะได้มีเป้าตั้งเป้าไว้ค่ะมไม่ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ถ้าไม่ถึงก็ช่วยไม่ได้ช่วงนี้ก็พยายามปฏิบัติตามกำลังคับระสังคารงานก็เยอะมันทำให้เราแบบ ตอนที่จะภาวนามันวุ่นวายเมันกลัวเจ้าค่ะอื ม, อะม่มีคําถามอะไรแล้ววันนี้ไม่มีเค่ะอาจารย์าเดี๋ยวอ่าประมาณช่วงสงการจะขึ้นประกาศอาจารย์นะคะอ่ะาได้เชิญค่ะโอเคมาพบกันท่านต่อไปคุณกัญญาเชิญคุณกัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์เออ อยู่ที่อธิทิศไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะอยู่ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสโอเคว่างานที่แล้วค่ะที่ที่แล้วพระอาจารย์ให้บอกหนูว่ามีมีให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ได้ในเอ่อเว็บไซต์กรรมฐานนะคะตอนนี้หนูเข้าไปหาแล้วมันมีแต่ที่เป็นหนังสืออะค่ะหนูยังไม่เจอที่ว่าเป็นไฟล์ดาวน์โหลดเอ่อมาฟังได้เลยอ่ะค่ะอาจารย์ก็มันชื่อหนังสือไมันไปคลิกตัวที่ตัวชื่อหนังสือแล้วมัน ก็จะให้เราไปดาวน์โหลดมาได้เลยอ๋อค่ะคเป็นเดียวือเช่นถ้ามันเป็นพวก PDF มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเราเราขึ้นไปมาที่ตรงมุมขวาข้างบนมันจะบอกว่าดาวน์โหลดนี่เราก็กดคลิกดาวน์โหลดมันก็ดาวน์โหลดเข้ามาเก็บไว้ในเครื่องเราได้อ๋อค่ะ เ ด, เดี๋ยวหนูลองไปทำดูอีกทีนะคะข อ, ของหนูนก็ไปแล้วมันก็เป็นเป็นเหมือนหนังสืออ e ีบุ๊กขึ้นมาใช่ไหมค่ะค่ะใช่ใชแล้วพยายามไปหาจุดที่มันอยู่มุศมุมขวาบนเนี่ยมันจะมีบอกให้ดาวโหลดล้วก็คลิกดาวโหลดค่ะแล้วหนูก็ <S <S พยายามปฏิบัติแล้วก็ฟังเทศพระอาจารย์ตลอดนะคะแล้วหนูอยากจะถามพระอาจารย์ น, นิดนึงว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าเรา เออว่านั่นคือสมาธิแล้วอะค่ะอย่างหนูนั่งนั่งฟังพระอาจารย์หลับตาฟังตั้งใจฟังพระอาจารย์นี่ถือว่าเป็นการนั่งสมาธิด้วยไหมครับก็เป็นการนั่งแต่ยังไม่สงบโดยอาศัยการฟังเป็นเป็นอารมณ์ของใจอย่างน้อยมันก็ทําให้เราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าใจฟุ้งซ่านมันก็หายฟุ้งซ่านได้แต่มันยังไม่เนิ่งถ้าจะเนิ่งนี้ต้องนั่งดูลมหายใจนั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจไปเปิดเสียงธรร ือแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าที่เราที่เราถึงจุดที่เราไม่คิดอะไรแล้วนั่นคือคือว่าเรามันจะเป็นของแปลกประหลาดมาส์ใจมันพอจิตมันหยุดจริงๆมันเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วมันก็นิ่งเย็นสบายขึ้นมาอืมค่ะค่ะค่ะหนูรู้สึกถึงความสบายอะค่ะพอนั่งไปแต่หนูก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันใช่ว่าเรานั่งมันยังไม่มันยังไม่สงบเต็มที่มันเริ่มสบายขึ้นไป พิตพอเริ่มหายฟุง้งเริ่มเบาลงเบาลงก็สบายขึ้นสบายขึ้นเวลามันจะเต็มที่เนี่ยมันจะเหมือนกับพิกหน้ามือเป็นหลังมืออิตที่หนักอกหนักใจจะหายไปเลยแต่าาาจิตที่เบาสบายเย็นสบร้อนก็หายไปเลยแต่ความเย็นน<ฆ>ัมนเองค่ะไม่ไ<ฆ>มมา<ฆ>้อไปกังวลปฏิบัติไปให้ใจอยู่กับลมแล้ว อ, อยู่กับพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรแค่นั้นเอง อย่าไปคิดว่าเมื่อไหรจะสงบว่าสงบแล้วเป็นยังไงนี่ตอนนี้สงบหรือยังไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาถ้าคิดก็แสดงว่ายังไม่สงบอืมค่ะอันนี้หนูคือตอนที่หนูนั่งนี่หนูก็ไม่ได้คิดนะคะแต่มาคิดตอนที่เลิกออกมาแล้วว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี้ตกลงเรานั่งสมาธิได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอชอบมีคําถามตอนที่ออกมาจากการนั่งไปแล้ว แต่ตอนนั่งก็อาจจะได้บางส่วนอาจจะได้บางส่วนแต่ยังไม่ได้เต็มร้อยค่ะแล้วนี่หนูซื้อหนูซื้อตั๋วจะกลับเมืองไทยปลายปีนี้คิดว่าน่าจะได้กลับแน่ๆแล้วค่ะถ้ามีโอกาสได้กลับปีหนูจะไปกล่าวพระอาจารย์ทีสวัดนะคะได้เชิญจ้ะอันนี้ก่อกลับในซูงก่อนก็ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์สวัสดีค่ะสาธุคุณเอกอยากเชียงลายเชิญคุณเอก กับนักวิชการพระอาจารย์ครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์ก็กลับรายงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพระาอาจารย์อ่าับมาก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีเอ่อจะมีช่วงวันสองวันที่แบบว่าต้องต้องออกไปนอกสถานที่ก็ก็ปฏิบัติอยู่แต่มันไม่ได้เต็มที่ครับพระอาจารย์กว่าจะกลับคืนมาโอมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับอา่านี่ก็เริ่มเริ่มกลับขึ้นมาก็ มาแต่เมื่อวานแล้วก็ตอนเช้านคะครับอาจารย์ก็อเ อ, อมันเริ่มนิ่งเข้ามาแต่ก็มันก็ยังก็ยังติดอยู่ที่ที่เดิมอยู่ที่เวทนาอยู่ครับอาจารย์ก็ตอนเวทนาก็ลองท่องพุทโธไปเรงสวดมนต์ับอย่าอย่าเพิ่งลุกอย่าไปสนใจกับเวทนาพยายามบังคับ ม, มันอยู่บบกับอีทีพีโซแล้วก็ว่าสัมมาไปข้าผมก็เท่าไปมันก็อืใจมันก็ ก็ยังไม่ยอมรับเท่าไหร่เพาะใจมันก็ดื้ออยู่นะครับอาจารย์ต้องมันเดิมก็ต้องท่องไปจังการมันยังดือพมันยังถ้มันจะเบามันจะรู้สึกความตึงเครียดจะหายไปครับแต่ผมก็รัวเหมือนกันนะครับอาจารย์ก็แบบว่ารัวแบบพุทโธพุทโธพุทโธรัวอย่างนี้ครับอาจารย์รัวก็ได้ไม่รั่วก็ได้แต่อย่าหยุดแ่นั้ดี๋ยอย่าหยุดแต่ี๋ยวคอ อย่าไปรู้ว่ามันก็อยู่แล้วมันที่มันจะหายมันไม่หายนะต้องทําไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นให้อยู่กับพุทโธไปครับผมครับผมในเวลานันจะเกิดมันเกิดขึ้นมาเองครับใช่ครับมันเกิดเองแล้วก็มันมัใช้ช่วงแปลว่ามันมันก็ช่วงมันก็นานอยู่กว่ามันจะหายไหมนะมันหายสภาพมันก็มาใหม่เลยครับอาจารย์ก็เป็นธรรมชาติของมันเองต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่ใช่เป็นธรมชาติ ไปไปมามาอนัตตาไปห้ามมันบังคับมันไม่ได้ครับต้องหัดอยู่กับมันทั้งเองเหมือนมืนดินฟ้ากับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเราก็หัดเราก็ฝึกอยู่กับมันได้ใช่ไหมครับผมเรวก็ต้องฝึกอยู่กับเวทนาทั้งสามได้สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างมันก็สลับกันไปสลับกันมาครับเพราะว่าไอ้ช่วงช่วงเดินทุกกรมผมก็สอนใจอยู่นะว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาก็ท่องอยู่นะครับ ถึงเวลามาปฏิบัติจริงๆก็เจอไปก็อืมครับแต่แต่ไม่ท้อครับอาจารย์ไม่ท่องแบบนอกแก้วมันมันยังไม่เข้าถึงใจ <c oughs> มันไม่เข้าถึงใจนะฮะอืถ้าเข้าถึงใจแล้วมันยอมอแก่แก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายครับครับแต่แต่ไม่ท้อครับอาจารย์หัวว่ปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมตอนเช้าว่าตื่นที่สามคึ่งอยู่เหมือนเดิมเหมือเดิมครับอาจารย์ก็ปฏิบัติไม่ท้อครับทําไปเรื่อย ครับครับผมครับนี่มีคําถามเพราะวันนี้มากราบในงานพระอาจารย์ครับตอนเข้ามาช่วงต้นก็มีอุปสรรคไงฝนตกเป็นลมไฟก็ดับไปเขาเข้าออกขอขอทานเอาไยพระอาจารย์ไม่เป็นไรคืีไฟมาก็เลยเข้ามาใหม่ครับผมครับครับผมสาทุครับพระอาจารย์ครับก็ขอบคุณครับผมคุณแอนพีเคทอาจารยอยู่ที่ไหนอันมิว สวัสดีค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเลยูแคนาดาค่ะแคนาดาเมืองไหนอาอยู่อัลเบอร์ตาค่ะอยู่แคลิอรี่อัลเบอร์ตาค่ะเข้าเข้ามาในซูมวันนี้มีโอกาสอ่ามากราพระอาจารย์ค่ะเคยปะเคยพาคุณพ่อกับน้องไปไปกราพระจารย์ครั้งนึ่งบนเขาค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อสองสามปีที่แล้วเลยค่ะ ีไวันนี้จะอะไรก็นร <c oughs> หนูหนูก็หนูก็ปฏิบัติเอ่อเหมือนประมาณพยายามหนูนั่งวิปัสนาค่ะก็พยายามนั่งชาวเย็นนะคะวันละสองครั้งครั้งละชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างวันก็กลับมาที่ฐานกายพยายามแบบกลับมาที่ฐานกายตลอดเลยค่ะเวลาเดินก็เหมือนแทนที่จะตามไอไอความคิดที่มันฝุงซานก็เหมือนแบบพยายามกลับมาที่ที่ o s a t i o n นะคะที่แบบความรู้สึกทางกายแทนประมาณเนี้ยค่ะ เวลาเวลานั่งไม่วา่าเวลาทําอะไรไปเวลานั่งเวลานั่งส่วนมากจะทำํำวิปัสสนาค่ะก็คือเหมือนแบบดูเซนเซชันที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ดูดูตามตามที่มันเกิดขึ้นตามจริงอะค่ะแล้วก็ทําทําใจให้มันเป็นอุเบกขาไปปกติค่ ะ, ะมันจะไม่สงบนถะ้าอยากจะสงบควรจะดูลมหายใจแทนอเคค่ะ ด, ดูที่จุดเดียวอย่าไปทําอย่าไปสแกนร่างกาย การสแกน<ถ>กายท ำ, ทำให้จิตมันไม่ทําต้องทํางานมันมันจะไม่นิ่งค่ะเพราะว่านั่งสมาธิทําอานาปนาสติไม่ค่อยได้นานเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าดูกายไปเรื่อยๆค่ะก็มันก็จะดูได้ครบชั่วโมงเลยค่ะหรือไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเวลาขอเอาผลดีกว่าค่ะจะได้ผลดีต้องอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้ยูอยู่ที่กลางหน้าอกก็ได้ค่ะ ห้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกท่านั้นเอง ร, รู้เฉยๆเพื่อไม่ให้ไปคิดอะไรแลร้วจิตมันจะนิ่งมากกว่าการไปดูเซนเซชันดูความรู้สึกทุกสภานกายได้ค่ะได้ค่ะพระพุทธเจ้ า, าอนนักสมาธิให้ใช้อนาปนานสติการดูเซนเซชันนี่เป็นวิปัสสนาให้ดูเพื่อปล่อยวางเซนเซชันที่เราดูนี่มันปล่อยได้เพราะมันไม่เจ็บ ต้องดูตามมันเจ็บต้องดูเสีอปล่อยได้หรือเปล่าเช่นตอนที่มันเป็นไข้ตอนที่เป็นไข้เราไม่ต้องกินยาแก้ปวดได้หรือเปล่าปล่อยมันเจ็บไปดังนั้นอริยะเรียกว่าดูจริงถ้าดูตอนที่มันสบายสบายมันไม่มีผลมากถ้าไม่มีความทุกข์เนี่ยต้องดูตอนที่มันทุกข์เนี่ยและเพื่อจะได้ดับความทุกข์ด้วยการปล่อยวางเซนเซชันเนี่ยคือปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน ค่ะเพราะอย่างเวลาบางทีนั่งนานๆใช่ไหมคะมันก็จะเห็นบางทีแบบขาเวลาขามันบิดเป็นตะคิวอะไรเงี้ยค่ะก็ดูก็ปล่อยก็ปล่อยมันไปเฉยๆะคะ่ะ <c oughs> ตอนแรกๆ ก, ก็ทําไม่ได้แต่ว่าพอก็ปกติปกติบางอย่า ง, อ ย, างอย่างเวลากลับไทยอะคะ่ะก็จะไม่ได้ทํางานเลยคะ่ะก็จะไปเข้าขอแบบเข้าขอสอนานๆนะคะก็เลยได้มีโอกาสนั่งก็เหมือนเหมือนถนัดถนัดเกี่ยวกับทางวิปัสสนา มากมากมากกว่าเพราะว่าบางทีนั่งสมาธินั่งมันนานๆมันก็บางทีจะมีแบบง่วงว่างหรืออะไรองี้บ้างครัแต่แตเป็น<ต>วิปัปสนาแบบผิวเผินเนี่ยมันไม่มันไม่เข้าไปถึงเนื้อของวิปัสนาจริงๆแล้ววิปัสนาจริงๆก็คือการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาซึ่งถ้าไม่มีสมาธิระดับอุเบกขาอัปปนาสมาธิมันจะปล่อยไม่ได้ อร่างกายเวลาร่างกายมันจะตายเราต้องปล่อยมันเวลามันเจ็บก็ต้องปล่อยมันที่ทำที่มันเป็นแบบระดับผิวเผินถ้าจะเอาจริงๆต้องไปทางสมาธิก่อนไปทำจิตให้ได้อัปปนาสมาธิก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวหราจะไปนไปฝึกไปฝึกทำสมาธินะคะ ค่ะวันนี้มากราบพระอาจารย์ค่ะครั้งแรกนั่งดูลมหายใจก็ไดูเฉยเฉยได้ค่ะ<ม>แต่ทํา ม, มาพระอาจารย์นะคะมีประโยชน์มากๆที่สุดในชีวิตแล้ค่ะตอนมาแคนาดาใหม่ๆนะคะฟุง้งซ่านมากมากเลยคะ่ะแล้วแบบพอประเทศเขาเงียบแล้วก็สงบมากตอนอยู่ไทยนี่แบบสายปาร์ตี้เจออยู่โตมา ก, กับเพื่อนนี้<ม>ใช่ไหมคะมแล้วคนนี้คุณแม่ของเพื่อนนะคะ<ม>เขาก็เหมือนแบบเขา คุณแม่ของเพื่อนที่ไทยอะค่ะคือเขาอยู่ที่ mm hmm. เขาโตมาที่นิวซีแลนด์แล้วเขาก็แนะนำตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบสี่เขาว่าแบบลองฟังพระอาจารย์สุชาติดูนะแล้วพอหนูฟังธรรมาพระอาจารย์นะคะเป็นธรรมาที่แบบเด็ดเดี่ยวที่สุดนะคะแบบ mm hmm. จุกตะจบค่ะแบบฟังแล้วก็แบบเข้าใจแบบมันมันเห็นจริงอะคะ่ะมันแบบเข้าใจได้แล้วก็เม k e s e ทุกอย่างเลยค่ะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบ okay. ทำให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตมากขึ้นนะคะก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบเวลาอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่ค่อยเอ๊ะจะไม่ค่อยแบบมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็เข้าใจว่ามันเปนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดับไปมันเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณเนี้ยค่ะได้ดีปฏิบัติไปเรื่อยๆนะค่รจะไม่มีความทุกข์ลงเนืออย่างในใจค่ะเพราะว่าเป้าหมายก็คือแบบถ้าสมมติว่าได้ไปถึงสภาวะที่เป็นสภาวะแบบไม่ไม่มีอะไรก็คือสภาวะนิพานก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยคะ่ะดีโอเค ค่ ะ, คะสวัสดีค่ะคุณบุลสกาจากนอร์เวย์ได้ยินไหมคุณบุนสกาวอยู่ว่าป่ามาแล้วอยู่ค่ะป้ายตานสวัสดีค่ะป้ายตานเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมวันนี้อืมมีค่ะมีสองอย่างเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าจะไม่ถามอืมเมื่อกี้ได้ได้ฟังพี่คนหนึ่งพูดถึง อะไรนะคะการนั่งสมาธิะคะาธา่ะพระอาจารย์อแล้วก็รู้สึกว่าเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเพราะว่าเมื่อครั้งครั้งที่แล้วนี่ถามพระอาจารย์ปัญหาใช่ไหมคะคําถามอ ะ, ค, ะค่ะค่ะแล้วทีนี้ได้นั่งสมาธิแล้เหมือนนั่งนั่งไปแล้วเหมือ น, น, น, อนจิตเราพาไปไปเห็นไปไม่รู้ว่าจิตเราพาไปหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปไปเห็นตอนที่เราเด็กๆ ไปเห็นตอนที่ไปเห็นตอนที่เด็กๆที่เราลืมไปแล้วอะค่ะอาจารย์เหมือนว่าเห็นเป็นฉากเป็นฉากนะคะตั้งแต่ตอนที่เราเด็กๆความจําที่แบบแสดงว่าเร า, เเราไม่ได้นสมาธิเราไม่แสดงว่าเราไม่ได้น่งสมาธิแล้วเราก็นั่ง ด, ดูความจําไม่ไม่ไ ม, ไม่แน่ใจเหมือนกั น, นค่ะอาจารย์แต่ก็มีเสียงแม่แต่ก็มีเสียงพยายามเตือนตัวเองขณะที่นั่งค่ะว่า ให้กลับมาให้กลับมาให้กลับมาอย่าตามนิมิตต่างๆไปค่ะก็แต่ที่ได้แต่ที่ได้ก็คือเหมือนเราเหมือนนิมิตเหมือนว่าเรามีคําถามหรือเปล่าแล้วจิตเราพาไปหาคำตอบอะค่ะป้ายดานเราก็ได้ยินเสียงป้ายดย์ได้ยินป้ายดย์ว่าให้กลับมาให้ให้ให้ดึงกลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสมาธิเพื่อความสงบเพื่ออุเบกขา ค่ะแต่ว่าก็ก็ก็ดีอย่างหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพอมานั่งคิดแล้วเหมือนว่าเหมือนก็ได้คําตอบว่าว่าทําไมเราต้องเขามีบุญคุณเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแต่มันก็ดีเท่ากับความสงบไม่ได้นะสงบเนื้อกว่าทุกเสียงททั้งหลายทั้งปวงค่ะสุขที่เกิดจากความสงบนีเนื้อกว่าความสงบเรื้อกว่าความสุขทั้งปวงค่ะ อย่าหลงทางนะเวลานั่งสมาธิอย่าหลงไปตามพวกนี้ต่างๆค่ะก็มีครั้งครั้งนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็ครั้งที่สองเดี๋ยวนี้ก็นั่งสมาธิแต่ว่ารู้สึกว่าเราได้สงบแค่แป๊บเดียวค่ะเหมือนเราได้สมาธิแค่แป๊บเดียวแล้วก็จะมีอะไรดึงเราไปแล้วก็จะกุ๊ดกักำลังต้องพุทโธเรียนกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะ บางครั้งก็ใช้พูดโธบางครั้งไม่มาก็อิจิปิโซไปค่ะายาวๆ yeah, <yeah>, yeah. ร, รู้สึกว่าจะได้จะดึงกลับมาได้ดีกว่าค่ะอิติปิโซ <Yeah. S 2> สําหรับตัวหนูเองนะคะ <Yeah. S 2> แต่ก็จะมีความสงบปแป๊บหนึงนะะ่งค่ะพอาจารย์แล้วก็เหมือนไปอีกแล้วก็ต้องคอยดึงกลับมาเรื่อยๆมันชักดระเยอะกันพอสติแล้วอ่อนแป๊บมันก็เด้งไปทันวัน ปลมันปลามันดึงไปแล้วก็ต้องเพิ่มจิตเต็มยังมันกลับมาสวดใหม่ค่ะค่ะถ้าดีมันดีสวดไปแบบไม่หยุดได้ก็ได้มันจะได้ให้มันหมดกําลังพอมันหมดกําลังเราก็หยุดสวดนี่มันก็จะไม่ไปนะครับบางทีก็สวดสวดเหมือนตอนที่บอกอาจารย์นะครับอาจารย์สวดเวลาที่เรานอนหลับเหมือนเราจะไม่หลับเราก็สวดอิติปิโสจนหลับนะค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ละเรื่องนะไม่ได้ไม่ได้สวดเพื่อสมาธิ ไม่ไม่ค่ะก็คือแบบบางทีเรารู้สึกมันเราคิดไปเองบางทีเรารู้สึกว่าเหมือนกลัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่านอนไม่หลับเหมือนแบบเอ๊ะทำให้เรานอนไม่หลับก็เลยแบบสวดสวดเพื่อให้เรามีสติอะค่ะป้าจันถ้าจําเป็นจะต้องใช้มันเพื่อนอนหลับก็ใช้ได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสมาธิก็แล้วกันค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะป้าจาัน เห็นขอไปที่ท่านตอไปนะคุณสุภัตาจากด a l l a สเชิญคุณสุัตาโอเคผมหายไปไหนเลยเนี่ยแ ก, ก่นมัสการพระอาจารย์เจ้เค่ะสามีตัดให้เจ้าค่ะโใกล้จะหัวแล้วเลนี่ย <c oughs> เขาบอกเขาบอกเท่มากเท่มากเขาตัดให้เองเจ้าค่ะ ว, วิธีวิธีวัดความเจริญก้าวหน้าทางธรรมาดูที่ผมถ้าผมยิ่งสั้นแสดงว่ายิ่งเจริญ ถ้าเป็น ย, ยาวย่งยิ่งเสือ่อเจ้าค่ะเขาบอกเขาบอกไม่เป็นไรเท่มากเท่ดีเขาชอบเจ้าค่ะเขาบอกเทเขาบอกเมียเทเขาชอบเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคือลูกตอนนี้ยที่พระอาจารย์บอกให้ลูกอ่าสวดสตดิสติปฐานสูตรนะเจ้าค่ะทีนี้ลูกสวดแล้วก็อ่านเจอคําที่บอกว่า พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกภายในและภายนอกภายในคืออะไรเจ้าคะภายนอกคืออะไรเจ้าคะกายกายของเราภายนอกก็กายของคนอื่นกายของสามีก็เรียกว่ากายภายนอกกายนอกกายในก็คือกายร่งางกายของเราพิ<อ>จารณ า, าให้เหมอนมันเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวบางทีเราเห็นแต่ของเราไม่เห็นคนอื่นคิดว่าเราเป็นคนเดียว อ๋อเจ้าค่ะล้วเวทนาเราเจ้าค่ะเวทนาของเราของคนอื่นอ๋อคือดูของเราแล้วดูของคนอื่นอ่าดูของคนอื่นเวลาคนอื่นเขามีเวทนาเราก็จะเขาก็มีเวทนาเหมือนเราเราก็มีเวทนาเหมือนเขาอืมจิตจิตอะไรเจ้าคะจิตในจิตนอกจิตก็คืออารมณ์อารมณ์ของเราอารมณ์ของเขาเวลาเขาโกรธเวลาเขาดีนี่ก็เป็นเรื่องของจิตเนีไยเรื่องของอารมณ์จิตก็เป็นผ่านไปกับตามอารมณ์ต่างๆ เดี๋ยวก็ดทำมันดีสี่วันชั่วทามันดีสี่วันไข่ทำทำําล้วปล่อยวางตอนนั้นนันขั้นปัญญานะขั้นวิปัสส<อ>นาะคือให้เข้าใจว่ากายวิทนาจิตนี้มันเป็นไตรลักษณ์ทั้งของเราทถ้าขอขาพูดแล้วก็ปล่อยวางคำว่าไตรลักษณ์ก็คืออนัตตามันไม่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราท่นนี้จังมันเปลี่ยนแปลง เราไปห้ามันไม่ได้ก็ดูทั้งของเราและของคนอื่นภายในและภายนอกใหเข้าใจว่าเหมือนกันของทั้งของเขาทั้งเรานี่เป็นตายรักเหมือนกันร่างกายของเราของเขาก็เป็นตายรักเวทนาของเราก็เป็นตายรักของเขาก็เป็นตายรักเราจะไปบังคับให้เขาอมีแต่สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ทุกเดี๋ยวร่างกายเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาของเราก็เหมือนกัน เพื่อเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับเขาเวลาเขาไม่สบายเราก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับเขาเวลาร่างกายเราไม่สบายเราก็จะได้ไม่ไปทุกข์กับเพราะเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราควบคุมมังคับไม่ได้เช่นเดียวกับอารมณ์บางวันอารมณ์เราก็ดีบางวันเราอารมณ์ก็ไม่ดีเขาก็เหมือนกันบางวันเขาก็อารมณ์ดีบางวันเขาก็อารมณ์ไม่ดีจะไปหย่าให้เขาอารมณ์ดีตลอดก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้เราทุกข์ นี่คือวิปัสสนาแต่ส่วนสติก็คือให้เรารู้การเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายอยอนอยืนนั่งนอนให้ให้จิตอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่ายให้จิตไปคิดเรื่องอื่นอันนี้เป็นการจเจริญสติและเวลานั่งสมาธิก็อน า, าปา น, นสติอยู่ลงหายใจเขา้าหายใจออก เจ้าค่ะเจ้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะตอนนี้ลูกลูกใช้วิธีสวดสวดสติปัฏฐานสูตรเพื่อจะได้แบบจำได้ได้มีความรู้เตือนสติไปทุกคืนนะเจ้าค่ะถ้าทำได้ทั้งวันนี่เกือบอย่างน้อยเกือบชัว่วโมง เด้๋วค่ะลูกลูกปีนออกมาปีนออกมาจะมันจะซ้ำซ้ำกันเยอะๆนะจะมีซ้ำซ้ำกันอย่อะเย้ะค่ะจะได้แบบว่าตือนเตือนสติตัวเองด้วยเจ้าค่ะว่าแบบให้พยายามอะไรเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็ยืนนั่งก็นั่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะได้คอยเตือนสติเป็นการู่มือปฏิบัติเลยสติปัญญาส่วนนี้ เจ้าค่ะตอนนี้ลูกก็เลยแบบว่าเออส่วนภาษาบาลีแบบบางทีแบบเออเราก็ไม่เข้าใจเลยเลยเอาสติปัฏฐานสูตรที่พระอาจารย์แนะนํานะค่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยเอามาเจ้าค่ะจะได้ทั้งปัญญาแล้วก็จะได้เตือนสติด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ฝึกอยู่เจ้คะอันนี้อาจจะเป็นคําตอบเวลาปฏิบัติสงสัยยังไงก็มีอย่างนั้นนะแล้วค่ะมันมีแบ่งเป็นสาส่วนส่วนแรกก็คือเจริญสติส่วนที่สามนั่งสมาธิ ส่วนที่สามก็จเจริญปัญญาพิจารณาไตยลักพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายอนันตาเป็นดินน้ำลงไฟไม่สวยไม่งานเป็นสุภาพนี่คือสวยอย่วนของร่างกายย mm. ปัญญา เจ้าค um ่ะลูกจะก็พยายามฝึกสติก็ท uh, ั้งวันพยายามดูกายบ้างแล้วก็พุทโธแล้วก็จะแบ่งเวลานั่งสมาธิประมาณให้ได้วันละเกือบสามชั่วโมงถ้าทําได้อย่างน้อยก็สองชั่วโมงเจ้าค่ะสองชั่วโมงกว่าแล้วก็จะมีเวลาฟังเทศฟังเทศอย่างน้อยก็ชั่วโมงเจ้าค่ะแล้วก็พอตอนกลางคืนก็จะสวดสติปัฏฐานสูตรเจ้าค่ะแล้วก็สวดเหมือนค่ะเจ้าค่ะ ก็ก็เขาไม่ให้ทำงานก็ดีจ้าเจ้าค่ะหน้าที่นี่คืองานเจ้าค่ะนี่คืองานที่อาจารย์สอนเจ้าค่ะผิดทางก็ไม่ต้องจับต้องนะให้เขจัดการให้ทั้งหมดเลยเจ้าค่ะแล้วเขาก็ยินดีเขาบอกว่าเม <s sh arp> ียเทพตัดเลยตัดเลยก็ขอตอนนี้เขาตอนแรกเขาบอกว่าระ ด, ด 4, ับสามสี่เขาไล่ไปทีนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นไม่มีไม่มีระดับเป็นศูนย์เป็นหนึ่งอะไรของเขาเจ้าค่ะลงเรื่อยๆกลายเป็นครูคัดเลย เด้อค่ะเขาเป็นช่างตัดผมส่วนตัวแล้วเจ้าค่ะแล้วค่ะขอบกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเข้าใจแล้วเจ้าค่ะโออคนะสาธค่ะเจ้าค่ะทางตูตาก็พยาปฏิบัติต่อไปเบื้องต้นนี่เอาสติกับสมาธิให้ให้มันมั่นให้มันแน่นก่อนให้มันชํานาญก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเด้อค่ะใครต่อไปคุณอนุมาใช่ไหม คุณดอนคุมามแก้วบจากวัดป่า้ันตาจากอุดรธานีมีอะไรไหัหยการนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะร่มฟังธรรมเจ้าค่ะเป็นงานบ้านตอนนี้เจดียใกล้จะเสร็จหรอยงงังเจดีก็เก้าสิบพระอาจารย์ชูธรรมก็บอกว่าเก้าสิบเก้าประมาณเก้าสแปดเปอร์เซ็นแล้วเจ้าค่ะแล้วจะมีพิธีกี่อะไร พิธีวันที่สิบห้าพฤษภาเจ้าค่ะที่วัน น, น, น, น้องวันบรรุธรรมหอ้องน้องตาเลยใช่ใช่เจ้าค่ะที่พระหญิงจราพรเสด็จ ด, ด้วยเจา้าค่ะจะมาเปิดพิธีาพัเลยใช่ไหมแม่วันก็คื อ, อจะบรรจุอ่าพระพไม่ใช่ครับพระธาตุแล้วก็แล้วก็อะไรนะอ่าพระพระพระสี่สี่องค์นะคะที่ว่าพระหินจอเจียแล้วก็มีพระพิงโกที่ว่ามีสี่รูปอ่ะค่ะสี่องค์เจ้าค่ะ โอเควันที่สิบห้าพฤษภานี้นะใช่แล้วค่ะโอเคก็ถือว่าใกล้จะสำเร็จแล้วไม่ไม่ต้องทำก่อสร้างอะไรแล้วนะไม่แต่งานประดับอ๋อเหลืออันนั้นอะไรนะโซล่าเซลล์ค่ะก็คือจะใช้งบประมาณยี่สิบห้าล้านแต่ตอนนี้หลงพ่ออินก็คือได้ได้แล้วประมาณครึ่งหนึ่งเจ้าค่ะอ่าก็ไดยังมาทำไฟฟ้าใชเในใช่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าใช้ไฟ ไปก็คือจะใช้เดือนรับประมาณสี่แสนทีนี้ท่านก็เลยจะให้ใช้โซล่าเซลล์ใช่เจ้าค่ะอโอเคเวลาไปวัดบ้านตานนี้เจอเจอพ์ า, าชารี่มั้งเปล่าเจออยู่เจ้าค่ะาบา ง, งาครั้งถ้าไม่ได้ลงมาอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ลงมาเจ้าค่ะมเมื่อเช้าหนูก็ไป ตอค่ะทํากับเข้าไปตอนนี้าอนนาจาราย์สุธรรอยู่อยู่ที่บ้านตาเป็นประจํ า, จาเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าท่านไม่ได้อยู่ค่ะอืมไปเที่ไปกินนิมนต์นะใช่แล้วค่ะโอเคเห็นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมค่ะสาธุเจ้าค่ะเชิญคุณหวานต่อเลยคุณหวานอยู่ที่ไหนคุณหวาน นี่อาจารย์หพ่อค่ะอยู่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เพิ่งเข้ามาคร <มา S 1> ั้แงแรกนะครับมาครั้งที่สองค่ะอาทิตย์ที่แล้วมาครั้งแรกค่ะยังไม่ได้ขอใครด้วยอาทิตย์ที่แล้วเ อ, อบอกพระอาจารย์ว่าฟังพระอาจารย์ทุกกลางวันแล้วพอเออพอคุยเสร็จค่ะมันนึกได้เอาบางวันก็ไม่ได้ฟังมไม่รู้จะติดกรรหรือเปล่าก็าไม่มีเจตนาเขพูดไปตามภาษาชาวบ้าน กับขอเข้ามาพระอาจารย์ก่อนนะคะอันดับแรกแล้วก็จะกลับเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าตอนนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะก็ฟุง้งพอฟุ้งเสร็จก็แบบอยากหาที่ยึดอ่ะคะ่ะอย่างเช่นเออที่หนู อ, อ, อาทิตย์ที่แหนูถามไปว่ามีแสงสว่างตรงที่แบบแถวบริเวณตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> เลยคิดว่าเอ อ, อยากจะไปเพ่งแสงตรงนั้นมันจะแบบ มันจะสงบกว่าอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมคะก็ลองดูแต่มันมันไม่มันไม่แน่นอนะอแสงเนี่บางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาใช่ค่ะอาจารย์ดีกว่าเอาลมหายใจดีกว่าที่ปลายจมูกค่ะเอาลมหายใจออกแต่ถ้าฟุ้งก็ไม่เป็นไรแรกๆก็จะประมาณนี้ก่อนใช่ไหมคะถ้าฟุ้งก็สวนบนไปก่อนก็ได้ส่วนอิติิโสไปหลายๆจบก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องเพ่งแสงแล้วใช่ไหมคะเพราะแสงมันไม่แน่นอน คนคมาบ้างไม่มาบ้างเดี๋ยวเวา จ, จะเพ่งเพ่งมัไมมาเ้าจะไปเพ่งอะไรเนะีได้ค่นะพระอาจารย์เรของที่มันแน่นอนถ้ามันฟุ้งก็มันไม่ยมดูดูลมก้ามมันสวดอิ p ปิโซไปก่อนได้ค่ะแร้แพอมันเริ่มหายฟุ้งแล้วก็กลับมาดูลมต่อค่ะค่ะมันแน่นอนกว่านะได้ค่ะ แสงนี้นอกจากเรามีพลังสร้างมันขึ้นมาเองนึกหลับตาแล้วก็นึกถึงแสงแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเรียามาใช้ใช้กระสินกระสินใช้แบบนั้นได้ไหมครับอาจารย์เพราะรู้สึกว่าลองหลับตาแล้วก็นึกถึงแสงให้มันสว่างอยู่ภายในใจแล้วก็บางทีค่ะอยู่กับแสงบางทีเอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรได้ก็ดีก็ใช้ได้ได้ใช่ไหมคะค่ะ น่าจะรอให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วเข้าไปดูมันนี่เด้วถ้าเกิดไม่โผล่ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรให้มันดูอือค่ะงั้นลองถ้ามันไม่โผล่เราลองนึกนึกถึงแสงขึ้นมาหดับตาแล้วทําให้จอในใจนี้สว่างไปด้วยแสงก็ได้ให้มันสว่างไปนานๆได้ค่ะแล้วก็กลางวันก็พยายามบริกรรมพุทโธตลอดค่ะถ้าว่างนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็พุทโธไป เราไม่ต้องใช้ความคิดนะถ้าใช้ความคิดก็หยุดพูดโทรศัพช่วยเขาอย่างขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดอะไรอย่างเงี้ย่ะหลวงพ่อเราจะดูด้พูดโทรศัพแล้วก็ต้องดูรถด้วยมันจะไปพูดโทรศัไปม่ดูรถเดี๋ยวก็ชวนกันต้องมีสติอยู่ว่าการดูรถขับรถเป็นท่านมันทําองอย่างได้ไหมครับอาจารย์แล้วก็ใช้พูดโทรช่วยดึงใจไม่ให้ไปที่นได้แต่ต้องดูการขี่รถของเรา ไม่แยงหมดแต่พุทธโธไม่สนใจรถทางหน้าหรือใครเดินตัดหน้าชนกันนี้ก็คิดอยู่นะคะว่าแต่ไม่ได้นังผิดพุดโพุทธโธลงมาทีหลังสิ่งที่มาก่อนก็คือการขับรถการชีรถของเราได้ค่ะค่ะเท่านี้ค่ะตอนนี้นะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะท่านต่อไปคุณปลว่าอะไรเชิญแปงว่าอะไร นรมาสการ์ค่ะต้อง<ก>วันนี้มากันค่ะพระอาจารย์วันนี้เอามารายงานกันบ้านที่โยมไปนั่งสมาธิเมื่อวันจันทร์ค่ะหลังจากที่เคยนั่งสมาธิแล้วนั่งนานๆแต่ว่าเมื่อวันจันทร์นั่งประมาณสองชั่วโมงก็พอออกจากาสมาธิมาก็รู้สึกว่ามันมันเย็นสบายแล้วก็เบาโยมก็เลยคิดว่า หนึ่งที่พระอาจารย์แจ้งกับท่านญาติธรรมท่านก่อนๆว่าการนั่งนานๆบางทีก็คือเราอาจจะไม่ต้องแบบพานั่งนานๆแต่ว่าเอานั่งแล้วที่ ท, ที่เราที่เราทําแล้วทําได้เต็มที่ถูกต้องไหมคะใช่เมื่องไม่มันได้ผลถ้ามีสติ ด, ดีๆนั่งไม่นานมันก็เย็นสบายสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานหมดไปค่ะทีนี้เมื่อวันวันประมาณเมื่อวานเนี้ค่ะยม ฟังคำมะในซีดีที่ได้จากพระอาจารย์มาพระอาจารย์ได้พูดถึงแล้วก็สอนถึงเรื่องของการทําสมาถะวิปัสนาซึ่งมันเป็นการฝึกฝึกจิตเตรียมเตรียมจิตใจเพื่อให้มีความพร้อมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะสามารถก็ก็คือจะต้องแยกกายออกจากจิตอันนี้ก็คือแยกกายออกจากธาตุรู้ที่พระอาจารย์ได้เคยสอนไว้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็คือจิตกับร่างกายเป็นคนละคนย่างไง เป็นเหมือนแผสียามาติดกันอยู่แต่ไม่ได้เป็นคนเดียวกันร่างกายตายไปร่างกายแก่เจ็บตายจิตไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดก็ให้ทุกเฉยๆอย่าไปคิดวาตัวเองเป็นร่างกายเพราะมันจะทำให้ทุกเวลาร่างกายเป็นอะไรขึ้นมามทีนี้เวลาเราแยกเราแยกกายออ ก, กจากติดแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อให ให้เราเกิดปัญญาไหมเจ้าค่ะก็ปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่จะทํารถแยากถ้ายังแยกไม่ได้ก็ยังแสดงว่าไม่ได้ปัญญาอืถ้าแยกได้ก็แสดงว่าเราได้ปัญญาเห็นว่ากายกับกายกับใจกายกับร่างกับใจเป็นคนละคนกันร่างกายเป็นอะไรใจไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันร่างกายแก่ก็เฉยร่างกายเจ็บก็เฉยร่างกายตายก็เฉยอือใช่ค่ะเดี๋ยวยมจะ พัฒนาต่อไปนะคะมีเพื่อนอีกท่านฝากมาค่ะว่า เ, เพื่อนเขายังไม่ได้เข้ามาในส่วนของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าน่าจะเป็นการฝากคําถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในการทํางานก็คือการมีสติในระหว่างการทํางานนะคะต้องต้องทําอย่างไรเจ้าค่ะก็ให้รู้ว่ากําลังทําอะไรไเช่นกําลังคิดบัญชีก็ให้อยู่กับการคิดบัญชีอยา่าไปคิดถึงขนมนู่นนี่อย่าคิดถึงที่เที่ยว อย่าวัดไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ให้จดจ่ออยู่กับงานที่เราทําอยู่เพียงอย่างเดียวเขาเรียกว่าการมีสติอยู่กัการทํางานเข้าใจไหยค่ะแล้จะทํางานได้ดีงานจะไม่ผิดพลาดค่ะเราจะมีสติเวลาไปนั่งสมาธิก็ให้มันอยู่กับงานที่เราใช้ ก, กับการนั่งสมาธิก็คือดูลมก็ให้มันอยู่กับดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวมันก็จะไม่ไปไหน กเมื่อ จ, จิตใจกเกิดการถูกกระทบอย่างเช่นการเสียใจอย่างหนักความโกรธอย่างหนักเราควรจะต้องใช้ผุดโธใช่ใช่สติผุดโธท่องไปถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สติไปก่อนถ้าท่านใช้ปัญญาเป็นก็บอกว่ากาลัญญำบ้านบ้าเลยความความโกรธนี่มันมันมันเกิดจากคนที่บ้านะคนไม่บ้าไม่โกรธ เวลาเราเป็นปกติเราไม่โกรธใช่ไหมค่ะแต่พอเราโกรธนี่แสดงว่าเราเริ่มบ้าแล้วเราไม่อยากจะเป็นคนบ้าเราก็ต้องหยุดความโกรธยมไม่อยากเป็นคนบ้ายมเพราะนั้นเดี๋ยวยมก็จะพยายา ม, มพยายามคนมหาสาเหตุของการทําให้เราโกรธสาเหตุก็คือมันทําให้เราเราอยากได้อะไรบางอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วพอเราไม่ได้เราก็โกรธถ้าเราอยากจะหายโกรธก็เปลี่ยนใจ ไ, ไม่ได้ก็ไม่เอาท่านเองไม่เอาก็ได้ ไมได้มคน ใ, ใช่จค่ะคเดี๋ยววันวันเสาร์โยมไปฟังทมแล้วก็เอาสาวไปด้วยค่ะอาจารย์โอเคได้ทุกคทุกคนได้ถามกันหมนแนละ้วมันมีใครเข้ามาใหม่แล้วนะตอนนี้เห็นก็ให้คุณจุ๊บถ้ามีคำถามจากทางเฟ e b o o กก็เชิญถามได้ค่ะตอนนี้มีคำถามเข้ามาทั้งหมดสิบคำถามนะคะใช ค, คำถามแรกจากคุณเปรมจิตค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะกรณีคนที่เขาเป็นจิตประเภททำร้ายบุปการีที่มีในข่าวหากเขาทำไปโดยไม่รู้ตัวเช่นนี้เขาจะได้รับผลบาปหรือไม่คะก็ได้นะเพราะจะทำอะไรมันก็ต้องต้องมีเจตนามีความตั้งใจมันจะทาอะไรได้ถ้าทำไปแล้วจะจ ะ, จะว่าไม่รู้สึกตัวมันไม่ไม่จริงถ้าไม่รู้สึกตัวมันก็มันก็ทำอะไรไม่ได้ มันก็ต้องมีล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีนสติไม่สมบูรณ์หากห้ามการกระทําของตนเองไม่ได้การกระทำของตนเองมันก็ออกมาจากใจของเราเนี่ยล่ะเราคิดเราโกรธเขาเราก็เลยคิดทำร้ายเข้ากันมาตอนนั้นเรื่องว่าเป็นบุพการีก็ได้ตอนั้นมั น, มนหนองมากกว่าเกิดเหมือกัอาการคนเมาสุราก็เป็นบาปเป็นกรรมอยู่ดีนะ คำถามต่อไปนะคะจากคุณปุ๋ยสัรสนีค่ะกราบนำรสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะ ขณะนั่งสมาธิหนูมีอาการตัวเบาเหมือนจะลอยบางครั้งก็เห็นแสงขณะหลับตาขณะนั้นรู้สึกตกใจกลัวและพยายามท่องพุทโธกลับมากําหนดรู้การขยับขึ้นลงตรงลิ้นปีกตามความถนัดของตนเองขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะว่าหนูกําหนดแบบนี้ถูกไหมคะและการมีความรู้สึกเหมือนตัวเบาล่งใจมากอันนี้คือคําว่าความสุขใช่ไหมคะหนูควรจะปล่อยตามสุขหรือควรปฏิบัติต่ออย่างไรคะ รบกวนพระอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีปฏิบัติด้วยค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะเผื่อถ้าเรานั่งใช้อะไรเราก็อยู่ของมันไปเราดูลมก็ดูกับมันไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจให้นูแล้วก็กลับมากลัมดูที่ลมต่อถ้าใช้ลมถ้าใช้พุโทโธก็พุโทโธต่อไปโดยที่ไม่ทิ้งพุโทโธและไม่ทิ้งลมส่วนอาการเบาสบายอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้นู้นเฉยๆไปไม่ต้องไปมีปฏิกิยากับมัน จนกว่าจิตมันจะนิ่งสงบแล้วมันทุกอย่างมันหายไปหมดเลยแต่ความเบาความสบายความว่าณเราก็ไม่ต้องทำอะไรให้มีสติประคองจิตให้รู้เฉยๆไปจนกว่ามันจะหมดกำลังจะถอนออกมาคำถามต่อไปจากคุณลูลู่ค่ะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะยงทาสวนผลไม้จาเป็นต้องฉีดป้องกันยาฆ่ามแมลงอย่างนี้จะ บ, บาปไหมเจ้าค่ะ ถ้าถ้าถ้ามันถ้าฉีดแล้วมันไปถูกตัวมันตายมันก็บาปแต่ถ้าฉีดกันไว้ก่อนตัวตที่ไม่มีตัวสัตว์เข้ามาถ้ามันมันตอนมันได้กิ่นมันก็อาจจะไม่เข้ามาก็ได้งนี้ก็ไม่บาปมันอยู่ที่ว่าฉีดไปแล้วทำให้มันตายหรือเปล่าถ้าทำให้มันตายก็บาปถ้าฉีดแล้วกันมันพอนมันได้กลิ่นมันจะไม่เข้ามานี้ก็ไม่บาป คำถามต่อไปจากคุณพินมณีค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโยนนอนโยมนอนไม่หลับทุกคืนเลยเจ้าค่ะควรทาอย่างไรให้นอนหลับโดยไม่ต้องทานยานอนหลับเจ้าค่ะก็ขั้นตอนก็อย่าไปอยากหลับความอยากหลับนี่อะไรที่ทําให้หลับยากขั้นที่สองก็ให้มีสติอยู่กับพุโทโธแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจไปอย่าให้ใจไปคิดอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็หลับเอง คำถามต่อไปจากคุณอนุรักษ์ค่ะน้องกราบน้ำมการพระอาจารย์ครับอยากถามพระอาจารย์ว่าเลี้ยงวัวทําฟาร์มวัวแล้วขายวัวเป็นอาชีพที่บาปไหมครับคุณเป็นอาชีพไหมครับขอบพระคุณครับถ้าเอาวัวไปฆ่าก็บาปถึงแม้เราจะไม่ได้ฆ่าเองก็เป็นอาชีพที่สนับสนุนการทําบาการทำร้านชีวิตของผู้ก็ถือว่าไม่เป็นสามาชีพครับ เช่นการขายสุราเนี่ก็ถือว่าไม่เป็นสัมมาชีพเพราะคนดื่มสุราแล้วเมาแล้วก็ไปอารวาทำร้ายผู้อื่นได้หือขับรถยนต์ขับยานยนต์ก็อาจจะเกิดอุปัทิเหตุทำให้คนเสียชีวิตได้เราไม่ควรจะทำมาค้าขายเกี่ยวข้องกับของเหล่านี้ขายพวกยายาฉีดแมลงยาอะไรนี่ก็ไม่ไดีไม่ได้หรือขายพวกเบ็ดพวกกักกัก ด, ดับ จับสัตว์ต่างๆก็ไม่ได้เราในการไปค่าชีวิตของผู้อื่นให้หกเลี่ยงอาชีพแบบนี้คํำถามต่อไปจากคุณชัยชนะค่ะกลับน้ัสการเจ้าค่ะขอถามว่านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่เดินจงกรมจะได้ไหมคะคือนั่งสักสามสนาทีพักสิบถึงยีสินาทีแล้วนั่งต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นั่งอย่างเดียวค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ ได้ถ้าเรายังไม่เดินไม่อยากจะเดินก็ไม่ต้องเดินก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ควรพักก็คือสติถึงแม้จะไม่ได้นั่งสมาธิก็ยังต้องต้องเจริญสติต่อไปนะไม่นั่งสมาธิก็ต้องกําหนดจิตให้อยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปเช่นอยู่กับพุโทโธต่อไปคำถามต่อไปจากคุณสวัสดีค่ะ กราบน้ำระส ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะตอนนี้ลูกทุกข์มากลูกทําสมาธิบริกรรมพุทโธแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วเพราะนิวร์มารบ ก, กวนเลยไม่กล้าทําไม่กล้าทําต่ออยากกราบเรียนขอคําแนะนําจากหลวงพ่อว่าจะรับมือนิวร อ, อย่างไรและลูกยังท่องพุทโธประจําวันได้ไหมเจ้าคะพระน่าจใช้พุทโธนี่รับกับ น, นิวรได้ดีถ้ามีพุทโธพุทโธแล้วนิวรก็เข้ามาไม่ได้ คำถามต่อไปจะคุณเมซี่ค่ะอยู่กับโลกอย่าหลงโลกอย่าติดโลกหากไม่ยึดติดในสิ่งใดใจจะสบายสักแต่ว่าพิจารณาและวางปล่อยตามสภาพเดิมตามหลักธรรมชาติแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับก็โลกที่พูดถึงก็คือโล ก, กธรรมนี่มีอยู่สีคือลาบยุดสรรเสริญมสุกเี่ยอยากไปติดลาบยสารเสริญสุกก็จะไม่ทุกข์พราลายดสรเสริญสุกมันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็เสือ่อม เวลาเสื่อมก็จะทําให้เราทุกข์เสื่อมรากก็ทุกข์เสื่อมยศก็ทุกข์อยากสรารเสริญมาเป็นนินทาก็ทุกข์จากสุขทางตาหูจมูกเนื้องายมาการเทุกข์มันก็ทุกข์นั่นอยา่าไปยึดไปติดกับโลกธรรมคือารากยศสารเสริญสุขเพราะมันจะกลายจากสุขมากลายเป็นทุกข์ได้ทุกเวลาคํำถามต่อไปจะคุณโฟกัสในสิ่งที่ต้องการค่ะ ทำอย่างไรดีครับพระอาจารย์จะปฏิบัติแต่ขี้เกียจแล้วติดโทรศัพท์ด้วยครับจะปฏิบัติแต่ขี้เกียจแล้วก็ติ ด, ตดโทรศัพทพ์ด้วยค่ะค่ะก็ต้องพยายามแล้วก็เล่กใช้โทรศัพท์คำถามต่อไปจากคุณแมซี่ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะหากจิตใจถึงธรรมอย่างเต็มที่แล้วสภาวะใดๆที่กระทบจิตจะพิจารณาเป็นธรรมทั้งหมดจิตนี้ไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีเด็กชรา คำว่าอากาลิโกท่านบอกไว้แล้วทำไม่มีการสถานที่เวลาปฏิบัติดีตรงชอบเมื่อไหรคือหรือยืนเดินนั่งนอนล้วนเป็นการปฏิบัติได้ทั้งนั้นกระผมพิจารณาแบบนี้ถูกต้องหรือผิดถูกประการใดขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับก็มันเป็นธรรมที่พระเจ้าแสดงอยู่แล้วเห็น้ว่าคนปฏิบัติได้หรือเปล่าทั้งเอง อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณปฏิบัติอะไรคุณที่พูดมานี่มันเหมือนกับธรรมที่พระเจ้าสอนให้ให้เราทำกันที่ทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็ถือว่าก็ถูกต้องหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะโอเควันนี้ก็สองชั่วโมงสองนาทีมีใบ ย, ยกใบ ย, ยกผูปาเข้ามาแล้วอาจารย์เข้ามาแล้วเลยกุ่มนีค้ครับครับเข้ามา ไปยกปูพาลุกไหมนามสกันจ้านามสกันจ้าครับมาปากพาแม่มาด้วยปะมาด้วยนะมาครับแม่อยู่นี่ค่ะตอนอ่าโอเคคิดว่าเป็นลโรคนี่ของคุณค่ะดีใจมันนีรมีอะไรไหมไม่มีค่ะคิดถึงหลวงตาก็มากราบหลวงตาเท่านั้นค่ะขอบคุณ อยู่หนังสือกันนึกว่าเด็กๆช่วงนี้อ่านหนังสือสอบกันค่ ะ, ะคตั้งใจตั้งใจเรียนหนังสือกันมะกอย่าไปเล่นกันมากเกินไปเงินพอหอมปากหอมพอก็พอผ <ขา S 2> ่าไหมครูผาครูผ่าไม่เชื่อฟังเลยค่ะช่วงนี้ครูผ่าไม่ช่วยฟังเลยครูผ่าชมแล้วให้กําลังใจแล้วครับแล้วสักพักก็ไปที่เกมอีกแล้วค่ะ ก็คือเนี่ยผมมอบเอาเครื่องเล่นเกมไปเลยบอกแม่มอบมอบเครื่องเล่นเกมให้กับแม่ไปเลยผมอแม่ผมไม่เอาแล้วเวล่นเกมเอาหนังสือดีกว่าหนังสืออ่านหนังสือดีก ว, ว, ว่าได้คุณได้ประโยชน์มากกว่าการเล่นเกมนะไม่มีอะไรใช่ไหมเพนแต่เข้ามาทักทายกันนะค่ะโอเคเราลงยังยังยังพุ่งเป้าไปที่ ที่อเมริกาอยู่อ่ะยังพุ่งเป้าอยู่ค่ะแต่ว่าคิดว่าขอดูถ้าคือคุยอทนายถ้าไม่ทันปีนี้จะไปปีหน้าแทนค่ะแต่ว่าอยากได้วัคซีนให้เรียบร้อยก่อนมันเนี้ยค่ะอ่าก็เดีเหมือนกันทุกอย่างมันปลอดภัยก่อนก็ได้ค่ะอืมโอเค ไปคอยจับมันนะแต่ไปถ้าไปปีหน้าก็ดีค่ะจะได้ไปกล่าวลุงตาไวๆขึ้นอ่าได้กล่าที่นี่ก็ได้ถ้าไปอยู่อเมริกาล้วเข้ามาที่นี่ได้ค่ะ้าคาสองโอเคลุงตารักษาสุขภาพนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเสาอาทิต์นี้ยังไม่ได้ไปไปสาบาทนะคะเพราะว่าเขติวเขาสติวของเขาสติวทุกวันเดี๋ยวรอสอบเสร็จแล้วไปกลาวนะคะทิ้งสองครึ่งเลยจะได้ได้ โอเคไวเจอกันใหมน ะ, ะรักษาสุขภาพคอยให้ลงตาสุขภาพแข็งแรงนะคะจ้าสาธุค่ะอ่าตอนนี้รอบสองคำถามใครที่ไม่ได้ถามหรืออยากจะถามรอบนี้ก็ยกมือขึ้นแล้วก็เปิดไมโครโฟนถามได้เลยมีไหมหรือว่าฟังมาบ่อยๆแล้วจะนั้นคำถามมือจะถามอะไรนะอยู่ที่เอาไปปฏิบัติอ่ ใช่คุณทวิสาเลยทวิสาครับสมบัตินาเราทีนะค่ะขอเรียนกับคําถามผ้าจารย์ค่ะว่าถ้าเกิดเราทําสมาธิไปแล้วเนี่ยมันเกิดมันเกิดแบบเหมือนแบบเออ่มันนิ่งมันแต่มันนิ่งมันไม่ปลอดโปร่งมันเป็นทื่อๆะคะ่ะผ้าจารย์เราจะ<ด>แก้ยังไงดีนะดูลงต่อไปหรือพุทโธต่อไปเพิ่งหยุดอืมแต่คือังไปไม่สุดยังไปไม่สุดทาง ขับรถยังไม่ไปถึงป้อมจุดหมายปลายทางก็อย่าเพิ่งหยุดครับขับต่อไปอืมค่ะคือมันเทือนานมากะก็ดูลมไปดูพุทธทวนค่ะคือลมมันก็ไม่มีะค่ะคือมันเทือแต่มันเทือเป็นแบบตื้อๆอะค่ะอไม่มีก็ลำพุทธดูไปอ๋อค่ะก็คือถ้ามันถ้ามันพอใจให้มันเทือเทืออย่างนั้นได้ก็ก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นไปก็ได้ คือรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าตัวเองไม่พอใจเพราะมันถ้าเกิดว่ามันมันน่าจะได้แบบอค่ะมันต้องปลอดโปร่งโล่งสบายเหมือนที่เคยที่เคยได้แต่นี่มันเป็นทื่อๆตื้อๆถ้าดูเราไม่ได้ก็พูดโธไปก็ได้พูดโธนะคะค่ะพูดโทพูดโทตอไปค่ะคือร้องไห้ทำไมมันมันมันมันมันมีหลายครั้งอสติมันหมดกําลังมันพาไปเหมือนขับรถน้ำมันหมดการทางยังไม่ถึงบ้าน ไปซื้อน้ํามันมาเติมแล้วก็วินต่อไปอืก็คือสติมันหมดใช่ไหมคะแต่มันก็ยังแบบนิ่งคืดคือแต่มันรู้สึกมันไม่รู้สึกสบายอะค่ะเป็นรู้สึกแสดงว่าเกือบจะถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงอยู่ประมาณทางเพิ่งทางนี้ค่จะออกก็ไม่ออกจะเข้าก็ไม่เข้าสุดใช่ค่ะมันจะคืดคืจะตันยังไงไม่รู้ค่ะบางก็เรียกเอมันเอ๊ะมันเกิด มันเกิดขึ้นม า, นาปล่อยคยไม่ะคไปค่ะ ข, ข, ขอบคุณพระคุณค่ะคำถามแค่คนี้ค่ะคุณสุัฒนาเชอกนต่อยังไม่ได้เปิดใบเลยขออนุญาตพระอาจารย์เค่ะเอ่อขออนุญาตสอบถามเรื่องรูปประพบกับอารูปประพบค่ะพระอาจารย์ อารมุปภพกับอารมุปอารุปภกับรูปภพก็คือผู้ที่ได้รูปปัจจานกับผู้ได้รูปปัจจานเนี่ยก็จะไปอยู่ในรูปภพกับรูอารูปภพหมายถึงว่าอยู่ในถ้าจิตเป็นตัวรูปปัจจานได้ก็เวลาตายไปจิตก็จะอยู่สวรรค์ชั้นรูปรูปภพอยู่ในรูปภพก็คือมีแต่จิตใช่ไหมเจ้าคะใช่มีแต่จิตนิ่งสงบอยู่ในฌาน รูปภพแล้วรูปภพแล้วคะพระอาจารยก์ก็อยู่ในรูปปัจจานี่ชาดมันมีสองระดับระดับรูปปัจจานกับอรูปปัจจานทบก็เลยแ บ, บ่งเป็นสองระดับความละเอียดความสุกมันต่างกันอ๋อมันมันเหมือนกับ ว, ว่าอยู่ในสมาธิออตอนนี้ก็เข้าใจใ น, ใน เ, เข้าใจว่าชั้นเทวดากับชั้นรูปภพกับอา ร, รมูปภพอือาอารูปภพนี่ ก, นก็คืออยู่ในเป็นจิต ท, ที่ที่ขึ้นไปอยู่ อยู่ในสมาธิอยู่ในชานอยูปใฌารูปฌปานก็อยู่รูปภพถ้าอยู่ในอรูปฌานก็อยู่ในอรูปภพถ้าอยู่ในการมาถ้าอยู่ในการมาพบก็เป็นพวกเทวดาที่ทําบุญรักษาสี่ห้าอค่ะอ๋อค่ะขอขระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์มีใครอยากจะถามมั้ยมีคุณปางวลายยกมือนะครับเชิญคุณปางวลายยกมือปางใ พระจันทรขาขอขอสอบถามไม่รอบนึงค่ะคือเมื่อวันจันทร์ที่นั่งยมยมก็มีมีเกิดปิติเพราะว่าอย่างที่ยมว่าว่าพอยมนั่งเสร็จแล้วยมรู้สึกว่ามันโล่งสบายใจในขณะที่นั่งบนชั้นสาะค่ะช่วงนั้นก็น่าจะเป็นฝนตกแล้วก็อากาศอากาศมันก็ค่อนข้างครึงๆรง้อ น, อนอๆอ้าวๆนั่งไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันเย็นแล้วที่ที่พระจันเคยบอกว่านั่งไปแล้วนั่งตกหลุมตกตก่ตกอยมก็ยังไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่า การตกหุ่มตกบ่อมันเป็นอาการยังไงอะค่ะทีนี้ถ้าพระอาจารย์ที่อธิบายวันนี้ก็คือนั่งนั่งไปแล้วมันจะเย็นอันนี้มันจะมันยัไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบมันจะต้องเสกว็บลงไปตกหุ่มตกบ่อแล้วตกขั้นบันไดมันมันมันตกได้สแบบตกแบบยาวจากที่สูงมาที่ต่ำนั่นศกเป็นตกลงมาที่จันิดเป็นขั้นขั้นแบบนี้ เราไม่ต้องไปกังวลถ้ายังไม่ได้ก็แสดงว่าสติเรายังไม่กำลังไม่พอต้องเจริญสติต่อไปอออทำพุทโธต่อไป อ, อย่ า, อ ย, าอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆมันก็ไปไม่ถึงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องใช้ภาวนาพุโทโธไปเรื่อยเสมอใช่โยมโยมจะใช้วิธีแรกก็คือ อ, อิติปิโสจนกว่าโยมจะสงบพอโยมสงบเสร็จปุ๊บเนี่ยโยมก็จะก็จะ ภาวนาพุโทโธค่ะเราควรจะต้องจับบริกรรมใดบริกรรมหนึ่งหรือว่าสามารถทาแบบนี้ได้ไมเจ้าคะ่ะได้พูธโธทำเดีวก็พอถาใช้พุโทโธ่าก็ใช้พุโทโธอย่างเดียวไปก็ได้ค่ะได้คะ่ะเจ้าคะ่ะยงไปปฏิบัติต่อขอบพระคุณคะ่ะบนนนันี้ยังาน้เวลาเนเชิญ่างเยอมันอีน เ, อน เ, อนเช ระบายกันอันเดียวกันโอเคคำถามค่ะต่อต่อจากคุณอทวิสาค่ะโยมก็ภาวนาแล้วมันไปนิ่งเหมือนกันค่ะท่านแต่ว่านิ่งคือรู้อยู่กับที่แล้วรู้รู้รู้อย่างเดียวไม่รู้อย่างอื่นแล้วพอนานๆไปนะคะท่านมันเหมือนรู้ว่าเกิดความคิดแต่ไม่รู้ว่าความคิดพวกนั้นคืออะไรค่ะรู้แต่ว่ามันเกิดขึ้นเฉยๆเหมือนอยู่แบ็กกราวน์ข้างหลังนะคะท่าน mm. โยมจะ ต, ต้องํทำยังไงไไตอ่อไม่ต้องไปสนใจมันพยายามอยู่กับการรู้งเฉยของเราไปไม่ต้องไปตอบโต<ะ>้ตความคิดอย่าไปตามความตามความคิดไปโยมรู้แต่ว่ามันเกิดขึ้นค่ะท่านมีความคิดเกิดขึ้นหลายอย่างมากแต่ไม่รู้ว่าความคิดนั้นคืออะไรเท่านั้นแหละคะ่ะก็ก็รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแสดง ว, ว่ามันยังไม่เน้นเต็มทีถ้ามันเน่นจริงจรมันจะว่าไม่มีความคิดอะไรค่ะก็ดูต่อไ คำถามอีกอย่างหนึ่งก็คือ ท, ที่ท่านพระอาจารย์พูดถึงรูประชานะลูรประชานะค่ถ้ามันเป็นรูประชานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปหมดเลยแม้แม้กระทั่งแสงใช่ไหมคะก็มันมีอยู่4ระดับด้วยกันเราไปอ่านดูความว่างแบบไม่มีขอบไม่มีเขตการรับรู้แบบไม่มีขอบไม่มีเขตเนี่ยมันมันเป็นต้องไปอ่านคำอธิบายของชานแต่ละขั้นว่ามันมี ค่ะเราอาการอีกอย่างหนึ่งที่มันเพิ่งเกิดตอนที่โยมช่วงช่วงที่โยมทําเยอะๆอะค่ะวันละเจ็ดแปดชั่วโมงอะค่ะมันจะเย็นมากเลยค่ะท่านเวลารู้รู้อยู่ในข้างตรงนี้ค่ะตรงกลาง อ, อกแล้วมันจะเย็นเย็นขยายวงกว้างออกเรื่อยๆค่ะโยมคนคือก็แค่รู้ไปเฉยๆไปมันเป็นยังไงก็รู้ไป ถ้าไม่สนใจมันได้อย่างดีพยายามเกาะติดอยู่กับอารมณ์เพื่อให้จิตมันเข้าสู่ความว่างให้ได้จะดีกว่าถ้ามันไม่มีจริงแล้วความอะไรต่างๆมันจะหายไปหมดมีสิ่งอะไรสักอย่างไหลกลับเข้ามาในตัวตลอดเวลาประมาณเนี้ยค่ะขยับเข้ามาขยับเข้ามาไหลกลับเข้ามายังไม่ถึงที่สุดของมันมันมันเป็น เหมือนก็นต้องใช้เวลามากนะคะท่านที่ให้มันจะแบบสองชั่วโมงยังยังไม่ถึงสองชั่วโมงสามชั่วโมงยังไม่นั่นเลยะคะ่ะต้องต้องนานกว่านี้ซึ่งโยมก็หาเวลาได้ยากอะคะ่ะท่านก็ไม่เป็นไรมันมันอยู่ที่สติมากกว่าถ้ามีสติดีมันห้านาทีสิบนาทีมันก็เข้าสู่ความว่างได้จะตสติแล<ต>้ยังไม่มียังมันกําลังไม่ออกชีวิตทํางานมันก็ต้องใช้ไปกับคามคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ นั่เองมันก็เลยหยุดควคิดไม่ได้อยางเต็มรอ้อยค่ะยังรู้ที่ปลายจมูกเนี่ยคะ่ะท่านเวลา<ะ>เวลานั่งไปนานๆหรือว่าตอนไม่สบายเงี้ค่ะมันจะเด่นชัดมากเลยพอเวลาออกมาทํางานแล้วมันแผ่วไปเลยคะ่ะแผ่วจนแบบว่า ห, หา ย, ไ ป, ย ไ, หไปเลยอย่างนี้ค่ะค่ะก็ต้องไปกลับไปสะสมใหม่อะไรอย่างนี้ยค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะหมดค่ะมม่มีมคําถามกับคุณใครมีใครไหมมีมีคนใหม่นะฮะคุณ ปะทอนปทอนฤทธ์นะมางานที่ไหนอยู่ที่ไหนอปะทุมครับปะทุมนะอ่ามีอะไรไหมอ๋อจะมารายงานนะครับว่านั่งสมาธิช่วงนี้ก็นิ่งดีครับจากปกติที่ผมเอ่อเปิดเทปของคุณแม่ครูอาจารย์ฟังแล้วก็นั่งไปด้วยครับตอนนี้เริ่มฝึกที่จะนั่งเอ่อโดยดูลมนะครับพระอาจารย์ครับก็ดีแสดงว่าสติมีมากขึ้นถ้ามีสติมากขึ้นก็ไม่ต้องฟังก็ได้ คดูลมได้เลยครับแต่ที่ยเี้ครับดูได้แค่ดูลมได้ไหมครับดูได้ครับอก็ดูลไปครับดูลเข้าดูลออกดูลที่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าลมตามลมบอกคดูลที่ปลายจมูกตรงที่ลมสัมผัสถ้ารู้อยู่ตรงนั้นว่ามันกําลังเข้ามันกําลังออกมันสั้นหรือยากว่าให้รู้ตางความเป็นจริงไม่ต้องไปบังคับลม ครับแล้วก็แต่ที่อาจารย์อย่างหนึ่งคือสมมติผมกำหนดเวลาไว้สามสิบนาทีหรือว่าส5สิห้านาทีครับ<ม>เออ<ม>ก็จะลืมตารู้สติตอนเวลาที่เรากำหนดไว้นี่คือมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหยครับจิตเรามันเป็นเหมือนกับมันมีตัวตั้งตั้ ง, ต, งตั้งนาฬิกาปุกได้ตั้งปุกดได้ครับพอเรากำหนดไว้มันก็จะจาไว้ถึงเวลามันก็จะ ถ้าไม่จําเป็นจะไปตั้งเวลาเดี๋ยวตั้งสตินี่มาให้อยู่กับสติอยู่กับลมครับมันจะนานหรือไม่นานก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะบางทีเวลามันสงบมันอาจจะยาวกว่าสี่สิบ้านาทีก็ได้แต่อาการปวดเมื่อยเริ่มดีขึ้นแลที่เพรี่มาจะแนะนําว่าไม่ต้องไปสนใจมันนะครับจะขยับหรือว่าไม่ขยับอะไรก็ปล่อยมันไปก็เริ่มอยู่นิ่งนะครับไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็อยู่ตัวตรงได้แล้วครับอ่าขอให้มีสติอยู่กับลมเรื่องการที่เราทําอยู่ก็แล้วกัน ครับโ <Okay. S 2> อเคมาตการครับมีตอนนี้นะมีคุณนรุนรับยกมือครับพระาอะนาจารย์เจิญคุณนรุรับกลับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าโยมเนี่ยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเจ้าค่ะแล้วเวลากําหนดมองที่จิตแล้วท่องพุทโธเนี่ยพอมองที่จิตปุ๊บมันก็จะรู้สึกแ น, น่ น, น มารู้สึกแน่นแน่นหน้าอกอย่างนี้นอาค่ะอ ย, อย่าไปดูที่จิตนะท่องพุทโธไปอย่างเดียวอยู่กับพุทโธแต่แต่โยมถนัดมากเลยเพราะว่าฟังตั้งแต่หลวงปู่ฟั้นมาท่านบอกให้มองที่ใจนที่ใจแล้วก็แล้วก็ท่อ ง, อง<ห>พุทโธเวลเวลาเจริญปัญญาให้อยู่ที่ใจเวลาเ<อ>กิดกิเลสเกิดความโลภโกรนลงให้หยุดมันแในเวลาทำสมาธินี่ให้อยูุที่ลมแล้วให้อยู่กับพุทโธ อพราะเราเลี่ยงกันเพราะว่าโยมทําฝึกแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล่ะฝึกผิดผิดมันต้องต้องอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเข้าใจผิดเองท่านสอนให้พุทโธแล้วนัแต่ไม่ใช่เพราะเราเป็นโรคหัวใจใช่ไหมจ๊ะคะไมเกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวเรื่องของจิตอเพราะว่าโยมรู้สึกว่าโยมมันไม่เหมือนคนอื่นทุกทีเลยใครๆเขาบอกว่าพุทโธเนี่ยจะสว่าง แต่เมื่อก่อนนะโยมเคยท่องพุทโธแล้วมันดิ่งไปสู่ความมืดเจ้าค่ะมันดิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนโยมกลัวแล้วก็เลยเปิดตาไม่ต้องสว่างก็ได้ขอให้มันนิ่งแล้วกันมันดิ่งมันพุ่งลงไปสู่ความมืดเจ้าค่ะก็ปั้นพุ่งไปเลยมก็กลัวแล้วก็เลยเลิกทํางเลยไม่มีแบบนั้นอีกเลยเจ้าค่ะแล้วตอนตอนนั้น ตอนนั้นใครว่าพุทโธสว่างยอมก็มืดตอนนี้ใครบอกว่าทำสมาธิแล้วเบาใจยอมก็รู้สึกมันแน่นหน้าอกก็เลยรู้สึกตัวเองแปลกแปนั่นแหละเาะทำไม่ถูกอย่าไปดูใจเวลานั่งสมาธิให้ดูลมหรือให้ทั่พุโทโธพุโทโธไปเพราะยอมชอบถนัดที่จะดูจิตตลอดเลยจ้ะค่ะดูจิตก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ห กราบขอบพระคุณพระอาจารย์นจ้ค่ะกราบขอเป็นลูกศิษย์ด้วยเจ้าค่ะไม่ต้องขอเราอยากจะเป็นก็เป็นเรากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเราไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งคนนั้นคนนี้เป็นลูกศิษย์เลยเป็นลูกที่ตัวเขาเองเขาอยากจะเป็นก็เป็นขอบพระคุณเจ้าไม่ไม่เป็นก็ไม่เป็นโดยที่เดี๋ยวเปลี่ยนใจวันนี้เป็นจะพรุ่งนี้เปลี่ยนใจไม่เป็นก็ไม่เป็นไม่เกี่ยวกับเรา อาจารย์ไหมคือเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ก็สําคัญเราไม่ถือว่าเป็นแร้วไม่เป็นเราถือว่าปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติมากกว่าไม่เป็นโรคเสียแต่ปฏิบัติก็ดีวกว่เป็นโรคศสีแล้วไม่ปฏิบัตินะใช่ไหมโอเคหมดแล้วเลยคําถามวันนี้มีมีคุณพัทลาพร์นะฮะคุณพัทลาพร์ จากสเปนอ่าเพิ่งเข้ามาเลยครับเพิ่งเข้าม า, า, าครับคร<า>ับสว<ะ>ัสดีครับวันนี้เข้ามาฟังกเชครับวันนี้กลับถึงบ้านแล้วเหรอครับเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับ ม, มีอะไรหมไม่มีครับวันนี้เข้ามาฟังกิเชครับคุณแม่ก็ฟักนนากิเพราะคุณแม่เพิ่งไปพ่าตัดฟันคุดมาครับก็เลย นเหน้าบวมจับจับน้ำมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะค่ะตอนแรกว่าจะไม่เข้าเลยอ่ะสังขารจะตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราเจ้าคขาไม่ตัวแทนเราตัวแทนเราเป็นคนรับใช้เราเรเน้รู้ผู้คิดเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้ามากราบเข้ามากราบเจ้าค่ะได้นะเดีนี่ย กอ้ออันน okay. hmm. SI> ну ี้วัวันนี้วันนี้วันนี้ร nope ันนวันนี้วันนี้วั้วันนี้วันนอ้วันน้ว่านี้วันนี้วันันนี้วนนี้วันนี้วันนี้วันนี้วั้วัน้วนนี้าันนี้วันนี้วันนี้วนนี้วันนี้วันนี้วันน้ันนี้ี้้วั้ว้วันัน้วีันนี้วันนี้ี้วั้วั้น้วันนี้วันนี้วี้ว้้ีว้ ให้ส่งไปทำแชิไทยนะครับขสารทุสสาเจ้าคุณลงพอสารทุสารุขอบพระคุณเจ้าค่ะอคอยากจะถามอะไรไหมวันนี้รู้สึกคำถามไม่ค่อยมากเหมือนเมื่อก่อนสองชั่วโมงเกือบขึ้นคุณบุญชลนเครับบุญช้ครับอาจารย์มีคำคาถามเดียวกันเลยค่ะกับอ่ พี่คนเมื่อกี้ค่ะเป็นขอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ก็อยากอยากอยากถวายปัจจัยบ้างอะค่ะอะ๋ถวายให้กับโรงเรียนก็แล้กันดีโรงเรียนผู้รู้ย่อสอได้ค่ะพอเราได้มาแล้วก็ไปทำบุญที่นั่นด้วยกั น, ด น, นได้ค่ะเดี<อ>๋ยวขอขอข้อมูลด้วยนะคะพี่อาจารย์ได้จนะุ๊บส่งไปค่ะแ <Okay. S 1> ชทแชทแชทได้เลยนะฮะแชทไปที่พี่จุ๊บนะ ตรงตรงไห น, นะคะค่ะตรงช่องแชทนะ ค, ะ ร, ครับ ค, าาค่ะสะดวกมากกว่าค่ะเพราะว่า ไ, ไม่ทราบว่าค่ะค่ะเดี๋ยวส่งข้อมูลให้นะคะขอบคุณค่ะ มีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่าอาจารย์ภาสนาหมอภาสนะ อ, อ๋อค่ะพระอาไ ม, ไม่ไม่ได้ถามค่ะแต่ว่าจะพอดีเห็นฝ่าฟันคุดก็เลยอยากจะแนะนําอะค่ะว่าให้เอาฟันหมอฟั น, อ, ฟนอ่าสองสองวันแรกนะคะสองวันแรกให้เอาน้ําน้ําเย็นนะน้ําแข็งนะประครบห้ามกดนะคะประครบเบาๆจะได้ไม่ต้องทานยาลดบวมสองวันแรกแล้วพอสองวันหลักตั้งแต่สองวันนต้นไปก็เอาน้ําอุ่น ครมันจะได้ไม่บวมแลมันจะมั น, มนท่าอาการเจ็บอยากอยากแค่แนะนำํำเฉยๆก็เห็นบวมเมื่อกี้นี้นแล้วก็อย่าพูดเดยอะเพราะถ้าพูดมันขยับเดี๋ยวเลือดมันออกมันก็จะบวมโอเคได้ยินไหมยายเขาพูดซ้ําใหม่ไหมโอเคดีพอดีมีหมอฟันอยู่ในห้องนี้พอดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <S <S เป็นบรรชาชนในะกลุ่มนีนะ้มีทั้งหมอฟันมีทั้งหมอ <c oughs> หลายอย่างทั้งธุรกิจนีอะไรเยอะแยะไระมุมีแต่ระดับวิญญาวิญญาณชนทั้งนั้นโอเคทิดว่าไม่มีใครถามเลยแล้วนะทางเฟซบุ๊กก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคุณจุ๊บไม่มีแล้วค่ะโอเค ส่งข้อมูลทางแชทไปหรื อ, อยังเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดก็แล้วกันนะจะได้ติดต่อกันได้นะคนที่ยังไม่ได้ข้อมูลก็รอให้คุณจุ๊ดส่งข้อมูลให้ก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวติดต่อทางทาง messenger ได้ก็จะดีกว่านะคะอ่ะคุณจุ๊ก็ให้ข้อมูลเข้าไปก็แล้วกันนะค่ะโอเคนะกิดว่ามันก็พอสมควรจากเวลาสองชั่วโมงกับย5่สิบห้านาทีสลับเื่ น, นี้ ก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไป พ, พินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งย่งขึ้นไปเธอ